อาจารย์ครับข่าวธรัมสการ์ครับผมอเจริญกอคุณกอนและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับอาจารย์วันนี้เห็นรูปพระอาจารย์แต่บิดาบาดด้วยรูปแบบใหม่ครับอาจารย์ท่านโยมก็สงสารเขเห็นเห็นเราปวดหลังเขาก็เลยซื้อรถมาใ้ใช้แต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้ใช้ทุกวันเพราะว่า ยังพอจะเดินได้อ่มันจะใช้ในวันที่มีคนมากเช่นวันเสาร์ที่มักพระดตเทศกาลตอนธรรมดาก็ยังจะเดินแต่อาจจะเดินบ้างพักบ้างไปอย่างไรก็จะได้ออกกำลังกายและเงื่อนนั่งมันกไม่เดิเดินมันก็ไม่ดียางอยากจะเดินอยู่อ๋อครับแล้วพระอาจารย์นั่งแล้วมันมัน มันเซฟมันสบายขึ้นไหมครับเดี๋ยวเพมอาจารย์นั่งอหลังไลย <c oughs> คือถ้านั่งถ้านั่งมันสบายเพราะมันไม่มีอาการเจ็บเลยเหมือนกับที่จะนั่งคุยกันตรเนี้นั่งก <c oughs> ี่ชั่วโมงออ ก, ก็ไม่ไม่มีอาการเจ็บถ้าท่านเดินประมาณสักร้อยเมตรขึ้นไปนี่เริ่มเจ็บแล้ว <c oughs> มีอาการเจ็บหลัง <c oughs> เลยแต่ก็ยังพอเดินได้แต่ทุกถึงถึงถ้าสิบเก้าสิบก็ต้องหยุดดันหลังหน่อย <c oughs> เดินหลังเดินด้หน่อยมันพวจะบรรเท่าได้ถ้าไม่ได้เขาเห็นว่ามันสําคาญเราเนก็เริ่มจากไม้ค่อยดีคนามยงที่เขาจัดมาให้นี่ก็ดีนะเพราะว่ามันสะดวกในการใช้ในการบรรดาเก็ลต้องมันมันมีคนสองข้างทางเดี๋ยวต้องมาข้างซ้ายหรือมาข้างขวาที่นั่งข้างหลันี้เราสามารถย้ายซ้ายขวาได้ อ, อ, อแล้วก็สะดวกกับคนที่เขาใส่บาตรกับคนกับคนที่กับลูกศิษย์ที่เขาค่อยมาเก็บอาหารจากบาตรที่นี่แถ้าถ้าไปนั่งถ้าถ้าไปนั่งข้ามคนอย่างเรอเนี่ยมันมันแคบที่ตรงบาตรใ้น้นนั่งข้าลังเนี่สบายก็ยเห็นหน้ากันเพียแต่ว่าเราเลวลาเขาใส่บาตรเขาก็เห็นหน้าเราทุกคนก็ที่ใส่บาตรเ้าก็ อ, อนุโมทนาชื่นชมนะครับทุกันไป่หมด มีแต่พวกที่พวกชอบติพวกเตียนนี้จะมีการเห่าบ้างก็มีแบบว่าินเสียงเห่าเสียงหาย้ามือนกันผมว่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ ท, ทั้งที่ตัวเขาังไม่ได้เป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้กระทำการไม่รู้ว่าความสะดวกความเหมาะสมมันควรจะเป็นอย่างไร มองภาพอย่างเดียวว่าไม่สวยงามนั่งห like ันหลังให้ก bon ับเขาอะไรอย่างนี้ต้องนั่งหันหน้าอะไรเป็นมองในรูปแบบนะครับไม่ได้มองในลักษณะของการใช้งานครับการใช้งานแบบนี้มันดีที่สุดถูกโจทย์ที่สุแก้ปัญหาได้ครบถ้วนบริบูรณ์ครับผมเห็นอาจารย์ด้ว เห็นว่าอาจารย์เดินแล้วผมก็แบบโอ้ไม่รู้จนตอนพนี่อาจารย์ไดต้องหยุดเป็นพักๆเป็นพักๆ <c oughs> ครับอย่างนี้ก็ดีนะครับอาจารย์ผมว่า <c oughs> ออกพักขันดีกว่าครับอาจารย์ครับใช่ครับแต่ถ้ายังพอจะเดินหน้าก็ยังาเดินไปแต่เดี๋ยวนี้เดินตลอดสายไม่ได้เดินไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ขึ้นรถทำระยะหนึ่งแล้วกลับก่อนเดินไปก็ส่วนใหญ่ก็จะมีคนใส่บาตรช่วงหัวหัวกระท้ายแถวนะครับ บนตัวก็จะมีก้อนมังหะใส่แล้วก็มีท้ายแถวส่วนช่วงกลางนี้ก็จะมีบ้างมันแต่ไมมากเทกันก็จะเดินหัวท้ายแล้วก็ช่วงกลางมาเดินบ้างก็โอเคที่ว่าอย่างครับในโมนาศาสตร์ูครับอาจารย์แล้วแล้ววันนี้คนใส่บาตรเยอะเลยไหมครับอาจารย์เยอะวันนี้หกร้อยสิบสี่คนโอ้โหหกร้อวันนี้เป็นวันอาทิตย์แล้วก็วันพระด้วยตรงกัน ประ่อวนมีแค่สามรอยสามสิบหกครับครับนนอาจารย์ถนอมทัดขันนะครับอยู่สั่งสอนพวกเราไปอีกนานๆก็มันก็เป็นไปตามเหมือนที่ที่เราจะพูดกันวันนี้ยอมอยืนเย็นนะใช่ครับ <c oughs> ก็ต้องร่างกายมันก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครไปจะไปกำหนดได้ว่ามันจะอยู่อย่างไรเป็นอย่างไร เวลามันจะแปลปวนถึงเวลามันจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ทำอะไรมันไม่ได้าใจเราไม่ต้องทุกกับมันได้ถ้าเรายอมยอมรับกับสภาพของการแปลปว น, นั่นเองจังยอมรับมันเป็นอนาาัตตามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับได้ทุกสิ่งทุกอย่างในเลื่อนี้มันเป็นปรากฏการณ์ทา ง, าทางธรรมชาติเรื่องสเพธธรมานาาัตตา แต่เราเร า, เรามีโมหะวิชาเราลเลยไปแยกมนุษย์กระสาออกจากปรากฏการณ์ธรรมชาติไปคิดว่ามนุษย์กระส์นนี่สามารถที่จะทำอะไรได้ตามความต้องการของตอนเองตามความอยากของตนเองแต่ในนี้สุดก็ต้องพบกับความผิดหวังพราจะต้องไปเจอกับสิ่งที่ไม่สามารถที่จะทำได้ ถ้าเรามองเห็นยึดปัญญาว่าทุกอย่างมันเป็นปรากฏการธรรมชาติเราก็ปล่อยวางซะทำทาในส่วนที่เราทําได้แต่พอมาถึงส่วนที่เราทําไม่ได้เราก็ต้องทําใจยอมหยุดเย็นยอมให้ธรรมชาติเขาสแสดงบทของเขาไปน <Okay. S 1> ี่เลยที่ที่มาของคาว่ายอมหยุดเย็นครับผมถ้าเราทําอะไรได้ก็ทําไป แอะไรได้ก็แกไปรักษาอะไรได้ก็รักษาไปแต่ถ้าถึงขีดที่เราอะไรไม่ได้ก็อย่าไปดิ้นอย่าไปต่อสู้อย่าไปพยายามสู้ยอมดีกว่ายอมแล้วมันก็จะเย็นแล้วก็ยอมแล้วมันก็จะหยุดหยุดความอยากที่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอหยุดแล้วมันก็ใจก็จะเย็นไม่ทุครกบ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่เราไม่ไม่ปรารถนาเช่นความแก่ความเจ็บความตายหรือการประสบกับสิ่งต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เราไม่อยากเจออย่างนี้ื่องการสูญเสียการรั้งรากจากสิ่งต่างๆคนต่างๆที่เรารักเราชอบเปวันใดวันหนึ่งปรากฏการณ์ธรรมชาติมันก็จะต้องเกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่ยอม เราก็จะอยากให่อยู่อย่ากให้ไปเราก็ไม่อยู่ก็ไม่้าไม่ไปเราก็เศร้าสุขเสียใจทุกข์ใจแต่ถ้าเรายอมเป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนฝนตกแดดอกเราห้ามก็ไม่ได้ฝนจะตกแดดจออกล ม, มจะพัดนี่มันเป็นสัพเพธ昙มานตตาร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจะมีการพัฒนาจากการหรือจากไปประสบกับภาวะเหตุการณ์ที่ไม่ปรึกปัตนา ต่างๆเช่นสมุนไพรหรือภาวะอดอยากขาดแคลนอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทั้งนั้นที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมมังครับได้แต่ใจเราไม่ทุกกับมันได้ถ้าเรายอมรับความจริงว่ามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเหมือนเหมฝ น, นตกแดอดออกลงพัดก็ปล่อยมันตกไปปล่อยให้ลมพัดไปแล้วก็ เันผู้รู้ก็รับโู้ไปเฉยๆนะนี่นั่งกายก็ไม่ใช่นะนั่งกายก็เป็นปรากฏการนะธรรมชาติที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปที่มีใครไปเปลี่ยนแปลงปรากฏการณอเหนี้ได้เ่อถึงเวลามันจะเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนของมันเองพราจารครับแต่ตอนนึกอย่างนี้มันก็นึกอยู่ได้นะครับอาจารย์แต่พอเกิดเรื่องจริงๆเนาะไม่ ก็ต้องทำข้อสอบเนี่ยเมื่อเราทําการมากเสร็จแล้วเราก็ต้องไปทำแล้วก็แล้วก็มาแก้ไขว่าทําไมเราทําไม่ได้ที่เราทําไม่ได้เพราะใจเราไม่ดีใจเราไม่ฝึกสติไม่ฝึกสมาธิพออะไรมากระทบหน่อยก็เกิดความลักชางโกลงขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราฝึกสตินั่งสมาธิจนจิตสงบนิ่งเป็นอัปปนาสมาธิ เป็นชาดสีล้วก็จะได้โุเบคาขึ้นมาใจก็จะใจช่วงนั้นก็จะไม่มีรับช้ำกลัใจจะวางเฉยเป็นโมเบคาได้เราก็พยายามทาให้มันบ้างบ่อยๆแล้วเวลาที่เราออกมาจากสมาธิความความที่เป็นโมเบขามันมก็ยังจะมีติดข้างออกมาอยู่ระยะหนึ่งเหมือนกับน้ําที่แข็งน้ําที่เราแช่ไว้ในตู้เย็น พอเล่าออกมาใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่พอมันเริ่มไม่เย็นแล้วก็กลับเข้าไปแช่ด้วยเย็นอันจิแล้วออกจากสมาธิมามันก็เย็นสบายอยู่ภาคหนึ่งเป็นอุนเบกขาบางเฉยได้พอมันเริ่มไม่บางเฉยแล้วเราก็เข้าไปในสมาธิใหม่นี่เนะี่ยพูดถึงในในช่วงที่เรายังอยู่ในระดับของสมาธนะิก็จะเข้าออกก็ออกอยูน่นี่เพื่อรักษาอุเบกขาไว้แต่ถ้าเรา คิว่าเรามีความสามารถที่จะเข้าสู่ ข, ขั้นปัญญาพิจารณาเห็นทุกอย่างว่าเป็นสัพเพธธมานันตตาได้ถ้าไม่ปล่อยวางก็จะทุกข์ถ้าอยากก็จะทุกข์ก็เราก็มาสอนใจเวลาเราเจอกับสภาพที่มากระทบกระเทือนใจเราเราก็ต้องบอกว่าใจเราไม่เน่องนะใจเราอยากอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งมันเป็นไปแบบไม่ได้เพราะมันเป็น ปรากฏการณ์งธรรมชาติเราต้องยอมรับเราต้องยึดเราต้องวางเฉยได้เนื่งเฉยถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นธรรถ้าเราไม่เนื่งเฉยก็จะทําให้เราทุกข์ถ้าเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็จะทําให้เราทุกข์เพราะมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็เฉยเฉยไปปล่อยให้เอาว่าที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเรื่องของเขาไปไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตาม ตอนนั้นถ้าเราใช้ปัญญาแล้วปล่อยวางได้มันก็จะเฉยไปกับภาวะอย่างนั้นตลอดโดยที่ไม่นําเข้าสมาธิเหมันพอ่อแมนเข้าใจแล้วว่าการไม่เฉยนี่เป็ น, เ ป, นเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจการไม่อยาให้มันสภาวะทำต่างๆเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พราะมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการมันจะทําให้เราทุกข์มากถ้าเราไม่อยากจะทุกข์มากเราก็ต้องปล่อยให้สภาวะรำก็เป็นไปตามนึง เราก็เพียงสักแต่รับรู้ไปสักแต่ว่าสักแต่ว่ารู้ไปที่พระเจาทรงตัดสอนปายะบอกเธอเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นเธอได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินให้สักแต่ว่ารู้ว่ามันเป็นภาวะทางธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราไม่สามารถที่จะไปจัดการกับเขาให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอไปปาย ะ, ะ, ะาาบอกฟได้าั่นกำลังรู้ธรรมได้ ยอมแสดงว่ายอมหยุดเย็นนี้เป็นปัญญาที่พาไปถึงขั้นพันิพาณเลยครับอาจารย์ใช่ถ้าเรายอมหยุดใจกัะทุกงอย่างได้ยอมหยุดเย็นเกียนกับการแปรปรวนของร่างกายการแปรปรวนของมิถนาและการแปรปรวนของอารมณ์ที่มีในใจนะในจิตเราปล่อยวางกายมิถนาจิต น, น, นี่คือคสามเป้าหมายที่เราจะต้องมาฝึกนอกจากเป้าหมาย ที่ที่อยู่ภายนอกก็คือาสรางนิส้นแเส้นสุดอันนี้เป็นตั้าหลายภายนอกพอเราปล่อยภายนอกได้ปล่อยนิ้วเส้นเส้นสุดได้ไม่เป็นก้าวเกีบยวได้ไไปบวมได้อยู่แบบไม่ต้องมีรางนิน ส, รร ส, รส้นเส้นสุดได้เราก็ยังต้องมาปล่อยร่างกายปล่อยเวทนานั้นปล่อยอารมณ์ที่เรายังไม่ได้ปล่อยที่เรายังยึดติดเราอยากควบคุมอยากจะควบคุมมากครับให้มันเป็นไปตามความต้องการ แต่เราจะเห็นว่าความอยากของเรานี่มันทําให้เราทุกข์เราก็ต้องวัดตัปล่อยมันไปเป็นขั้นๆปล่อยกายปล่อยเวทนาแล้วก็ปล่อยจิตในที่สุดไม่ใช่ตัวจิตเนะปล่อยปล่อยอารมณ์ปล่อยการแปลปวนต่างๆที่มีการแปลปรนอย่างจิตปล่อยการแปลปรนของร่างกายปล่อยการแปลปวนของเวทนาเอย้าก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เพียงอย่างเดียว ส่วใหญ่เราจิตเรศเราอยากจะให้มีแต่สุขอย่างเดียวมีแต่เจริญอย่างเดียวแต่เวลามันเสื่อมเวลามันทุกข์ไม่เราไม่ยอมแล้วพอเราไม่ยอมรับมันเราก็ต่อสู้ไม่อยากที่จะเปลี่ยนมันให้ได้เปลี่ยนให้มันเป็นไปตามท่าความอยากเราให้ได้พอเปลี่ยนไม่ได้ก็ทุกข์แต่ถ้ารู้ว่าเปลี่ยนไม่ได้เรายอมนียมั้ยยอมแล้วก็หยุดต่อสู้ รู้เฉยๆไปสักแต่ว่ารูป้ปสักแต่ว่าเห็นไปสักแต่ว่าได้ยินไปน้ําใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปครับที่ใจที่ไม่ทุกข์ก็เพราะว่าก็เป็นนิพพานไปาไม่ทุกข์กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ทุกข์กับลาบยศเสะละเซลเซลไม่ทุกข์กับกายไม่ทุกข์กับเมทนาไม่ทุกข์กับ ได้ปัญญาแลครับอาจารย์กลับขอบคุณพระอาจารย์ครับเดี๋ขยข อ, อันนี้ยามหยุดเย็นกนายได้บ้างหรือได้ไหมคสับได้ได้บ้างได้บ้างครับไ ด, ไ ด, ได้ได้บางครับผมก็รู้สึกว่าความกระทบก็ไม่เยอะครับอาจารย์ครับคือคือผมก็ไป ปล่อยไปได้หลายอย่างครับแต่ยังไม่หมดซับรซนซับเซนจะขึ้นจะลงกไ็ไม่รู้สึกวิตีคำนวณจะขึ้นกับอนะไรบ้างแต่เรื่องภาวะของการขึ้นเวลามันจะลง ก, ก็เป็นภาวะของการลงไม่เปิดดูครับอาจารย์ไม่ได้เปิดดอ <laughs> <c oughs> <laughs> ปล่อยไปเฉยๆรถยนต์เนี่ยรถตำหนิอะไรแปลกหรือรางวัลต่างๆแล้วเส้นก็รางวัล ยังยินมียังยินดีไรอ่ะก็ยังไม่ใช่มียอ่ตั้แต่มันก็มีเรื่องตำแหน่งเรรางวัลนะครับเช่นเป็นยูทูบเบอร์ยงยินดีอยู่อันดับหรืออะไรอ๋ออันนั้นไม่ไม่ไม่รู้สึกตลาดครับแต่แต่รู้สึกว่าก็ยังมีความมีมีปิติอยู่เวลามีมีความสุขอยู่ครับเวลาที่ได้สันเสริญได้ได้ได้ตำแหน่งได้เกียรติบัตรอะไรก็ยังรู้สึกมีความสุขครับอาจารย์ครับ เวลาถูกตำหนิก็เข้าไปความรู้สึกไม่ค่อยเด่นไปอย่างเงี้ครับอาจารย์ตรงนี้ครับแต่ว่าเวลาโดนตำหนิกเนี่ยโดยส่วนตัวผมจะรู้สึกปล่อยง่ายกว่าครับอาจารย์คือคือผมจะผมจะผมก็เรียนแบบนสัยพระอาจารย์นะครับคือคือผมจะแบบไม่ไม่สนใจเวลาใครจะทําอะไรก็เขปล่อยเขาเข้ามาอย่างเงี้ยครับแต่เวลาสัรนเผื่อนี่ยังรู้สึกได้ครับว่าว่าอย่างกับเพรื่องครับอาจารย์ครับแต่คนว่านี่ผมจะเฉยๆสัมากกว่าครับ ปล่อยให้เขาดำเห็นได้ใครอยากจะว่าอะไรก็ปล่อยเขาว่าไปส่วนใหญ่จะปล่อยใช่ครับเรื่องอย่างเงี้ยปล่อยได้ครับอาจารย์ท้าปล่อยใช้แล้วก็เย็นท้าปล่อยไม่ได้ใจเรวก็จะร้อนครับเดี๋ยวจะต้องฝึกเรื่องเรื่องโลกธรรมฝ่ายดีครับต้องปล่อยให้ได้ด้วยครับอาจารย์ย่างติดในการเจริญในร่างยศฉลชั้นสูง เรื่งรอความเส่มของาบยศเสมเสื่อมสุนอะไรที่ยากมอกกันเสื่อมลาบเสื่อมยศเสื่มสารเสริอมเส่อมสุดนี่เวลาเจอแล้วมันไม่หมดเวลาเจะเลินมันไม่ต้องปล่อยมันมันก็แฮปปี้มันมีความสก็แเวลาเสื่อมเนีโดที่มันยากก็คือเวลาเจอความเสี่อของลบยสารเสื่อส เวลาเผชิญกับความทุกข์ยากบางๆ อ, อยาขาดแคนลนอดข้าวใ น, นไม่มีข้าวเป็นไม่มที่อ่าใช <c oughs> ้ใ <c oughs> ครับก็ก็ได้ไปลองลองลองลองดูก็ที่ลองดูก็อยู่พออ ย, อยู่อยู่ได้อยู่ได้ครับอาจารย์ไม่ได้ทุกข์กำจายมากครับ ภาพปฏิบันี่ยท่าก็ไปท่านจะไปเปิดการเสื่อมของน้ำยุทธสาสื่อมในการท <Okay. S 1> ี่ทาปลาทำเก๋าอยู่ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินถองไม่มีอะไรนี <Okay. S 1> ่แบบดินดมะล้อมดินมะหลอนเดียวดันลมละไนี่ก็เป็นการฝืนยานในการเสร่มของน้ำยุทธสารเสือ่อ ส่วนใหญ่ท่านละนได้ภายนอกพวกนีนมันเป็นของง่ายแต่ที่ยากก็คือกายเวทนากับจิตครับรู้สึกว่าอันนั้นน่าจะยากกว่าครับเวลาเวลาที่ผมประสบกับความทุกข์เนี่ยบางทีสุดท้ายแล้วผมจะนึกในใจว่าสุดท้ายแล้วถ้ามันทุกข์สุดๆผมก็คือผมก็บวชนะครับอาจารย์ผมก็จะรู้สึกมันจะมีจุดนั้นที่ที่รู้สึกอยู่ในใจครับว่าเอ๊ะสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ผมว่าเหลือก ยูดีถ้ายังไม่ตายไปซะก่อนเนี้ยก็คงจะคิดอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วถ้ามีที่พึ่งได้ถ้ามีทุกข์มากๆก็อยางรู้ว่ามีที่พึ่งที่เราไปหาได้อเป่ครับเข้าหาที่พึ่ไงได้ครับจะคิดอยู่างนี้ยอยู่เป็นประจำครับอาจารย์สุดท้ายแล้วถ้าไม่ไม่มีอะไรเหลื อ, อจริงๆก็ก็ได้บวชแล้วครับอาจจะเป็นอะไรพลิกพลกวิกฤตเป็นโอกาสนครับ เป็นวิกฤตการณ์เป็นโอกาสพเรามทีต้องทุกข์มันถึงจะไปหาไปหาวิธีแก้นะฮะเครื่องดับทุกข์ขึนถ้ายังสศกอยู่มันก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปหาเครื่องดับทุกข์เหมือนถ้าบ้านไฟไม่ม้ก็ไม่ต้องหาไปหาเครื่องดับเผื่ประดับพอ<ช>ไฟเริ่มไหม้บ้านต้องรีบหาเครื่องที่ดับเผื่อระดับทันทีทุก<ช>ครั้งโศกนี้มันก็เป็น เป็นเป็นเป็ิษ เ, เ, เ, เป็นภัยพเพราะจะทาให้เราไม่ไม่เข้าหาที่พึ่งไม่หาที่พึ่งที่ดับทุกข์พอถึงเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าจะไปดับทุกข์ได้อย่างไงเพราะเราไม่เตรียมไม่ก่อนครับเหมือนกันัะที่ดับเพลินนี้เราต้องเตรียมไว้ก่อนนะเวลาไปที่บ้านบ้านก็จะได้รีบไปหาที่ดับเพลนินกัน เวลาตรวจคนไข้ไงครับอาจารย์ก็คนไข้ผมก็จะมีมากมายหลากหลายเลยครับมาผมก็จะผมก็จะรู้สึกเฉยๆแต่ถ้าผมเห็นพระมานี่ผมจะมีความรู้สึกว่าเ อ, อท่านน่ายิา่งาแต่ถึงก็รู้ว่าอย่างนี้คือคือเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบคือแบบต้องเป็นแบบเนี้ยครับอาจารย์ก็ก็มีความคิดนี้อยู่ก็เลยรู้สึกว่าสุดท้ายถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆก็คงจะได้บวชครับในความคิดผมเป็นอย่างงั้นครับดน ไม่แต่ฉันเมื่อไรจะได้บวดเลยแต่นี้ยังมีแบบภาระมีมีลูกมีครอบครัวอยู่ครับก็เลยอาจต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ทำหน้าที่ให้ให้ดีก่อนเดี๋ยวถ้ามันหมดห่วงก็ถึงกาเป็นเวลาพระมุทันชาชั้นชลาดอรดูว่าจะมีมีลูกท้านั้นท่านออกไปดีกว่าไปอยู่ต่อไปแล้วไม่รู้ กลับมาครับคุณอาจารย์ครับวันนี้ได้เล่าเล่าความในใจอาจารย์ซ้ำมีครับก็นั่งเล่ามากไม่ได้เราพูดคนเดียวนี่ครับอย่างนั้นขอโอกาสถามคำถามจากเพื่อนมากนะคะรับอาจารย์ครับจากคุณพีโกครับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟกับเสียงกลิ่นรสเกี่ยวข้องกันหรือไม่ครับอาจารย์ครับถ้าเสียงกลิ่นรสมันก็มาจากธาตุสี่เวลา ท่าลมเวลาลมมันพันมันก็มีเสียงดังนะก็มันเหมือนในการเราเอาค้อนไปตีลักมันก็เป็นท่าเดินอยู่นะท่าเดินกับเท่ากับท่าเด่นก็เกิดเสียงขึ้นมากลิ่นก็เนี่ยเวลาเราเอาท่าเดินเอาของอะไรมาเผายมันก็มีกลิ่นรถก็คือเราเอาท่าเดินท่านน้ำเข้าไปในปากมันมันก็มีรถให้เราได้สัมผัส ที่เราสัมผันธ์ทุกวันนี้ก็สามผัสกับธาตุสี่นะในรูปแบบของรูปเสียงกลิ่นรสรสชาติมันเป็นเรื่องขอธาตุทัท้งหมดเราอยู่ในโลกธาตุนั่นเองบอกโลกที่เราอยู่นี่คโลกธาตุร่างกายเราก็ทํามาจากดินน้ํำลมไปธาตุสี่ดินน้ำลมไ ป, 4, นนไปบ้านก็มีธาตุดินเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมเป็นของแข็งเย ก็มีน้ำท่า น, น้ำก็มีน้ำประปาไว้ใช้อาบใช้ดื่มใช้อะไรมันก็มีแต่ธาตุทั้งนั้นแหละธาตุอากาศแล้วก็หายใจเข้าออทุกวันทุกเวลา่านลมก็คืออากาศที่เราหายใจท่านไฟก็คือความร้อนพอประมาณที่จะทําให้ร่างกายนี้อยู่ได้ถ้าถ้ามันเย็นมากไ ป, ไปมันหนาวก็มันก็อาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีถ้ไม่มีเครื่องนุ่งห่มที่นาที่ป้องกันความหนาว ล้วก็มีมีเรื่องของ่าตุทั้งสีงส่เนี่ยที่มันทำหน้าที่ของมันในรูปแบบต่างๆคุณติติมาเล่าให้ฟังครับบอกว่าตั้งแต่เริ่มนั่งสมาธิรู้สึกมีสติดีขึ้นกระบวนการคิดต่างๆใจเย็นลงรู้สึกมีความสุขผ่อนคลายทุกครั้งที่ได้นั่งครับวัน<ม>นี้มีเพื่อนๆชวนคุยเยอะครับอาจารย์<ม>หาคำถามต่างๆนะครับ อคุณหลินบอกว่าความฝันหนูหายไปจากฟังธรรมและปฏิบัติกับพระอาจารย์สุชาติค่ะเพิ่งมารู้จักธรรมมะโอสดจากพระอาจารย์ค่ะความฝันมันก็ไม่มันก็ไม่เทียเหมือนกันที่นก็ถ้าจิตสงบมากก็จะฝันน้อยถ้าจิตทุ่งซาดมีเรื่องราวมากงานอนลมันก็จะฝันมากส่วนธรรมโอสดก็คือ กาใช้สติใช้ปัญญารักษาใจไม่ให้ไปทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายถ้าเราทําอะไรไม่ได้ส่วนไหที่เรารักษาได้เรากรักษาไปแต่เรารักษามันเจ็บมันทรมามนก็ต้องก็ใช้ธรรมะอบรมแล้ ม, แลมันก็เป็นสภาวะธรรมเป็นทุกขเวทนาที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามมันได้ก็ต้องทําใจอยู่กับมันไป คุณสมพรครับทำอย่างไรดีจะไม่ให้ใช้จ่ายเงินตามใจกิเลสจ่ายตามอารมณ์จะใช้หลักธรรมาข้อใดดีครับใช่หลักเหตุผลเงินคือความจำเป็นว่าถ้าเราต้องการสิ่งนี้แล้วถ้าเราไม่ได้มันเราจะตายไหมเช่นตอนนี้เรามีรองเท้าอยู่อีกคู่นะเราอยากจะได้รองเท้าคู่ใหม่มันจะเป็นแบบถ้ามันจะเป็นก็อย่าไป นอกจากว่าถ้ารองเท้าที่ล้วเราไม่อยู่นี่มันหายไปแล้วน้ําท่วมของหายไปหมดนี่มันก็จำเป็นต้องซื้อของใหม่ใช่ซื้อเสื้อผ้าซื้อกองท้าสื้ออะไรที่เราจะจเป็นจะต้องใช้ดังน้นใช้ถามด้วยเองว่าถ้าถ้าไม่มีถ้าไม่ได้สิ่งนี้แล้วมันจะอายไหมจะลําบากมันจะเดือดร้อนมันจะเสียหายไหมถ้าเ้าไม่เสียหายไม่เดือดร้อนไม่ตายก็ไม่ต้องไปหา มันใช่เหตุผลเหตุผลคือปัญญาความจริงที่เรศคือความหลงความเป็นเป็นความรู้สึกที่หลอกนะว่าถ้าได้มาแล้วจะมีความสุขเห็นแเสื้าผ้าสวยๆทำงานก็อยากจะได้เห็นอะไรกำลัก็อยากจะได้ไงงไดสุขเดียวเดียวสุขตอนที่ได้มาใหม่ๆพอไม่กี่วันก็เบื่อแล้วมันเด็กอ่เด็กก็ขอซื้อของแน่นว่าซื้อมาให้มันแน่นนะของต่ว่ามันก็เบื่ออยากจะได้ของใหม่ นี่และอกิเลสเฮนชันในตัวเด็กเพราะเด็กไม่มีมายาเด็กไม่มีเสียเส้สาเด็กแสดงออกแต่ผู้งหญ้ยังมีมายามีเสียเส้าบางทีดูไม่ออกมาเป็นกิเลสครับคุณรัฐครับกับเรียนพระอาจารย์ตอนนี้แฟนผมเกิดอาการขาดสติบ่อยทําอะไรตามอารมณ์จะแนะนําให้เขาทําสติยังไงดีครับ ก็อยู่ที่ว่าเขาฟังรึเปล่าเขาฟังเราหรือเปล่า้วก็ฟังเราก็บอกว่าเธอหัดพุทโธพุทโธหน่อยสิทาอะไรวันวันหนึ่งพยายามทงพุทโธพุทโธไว้สงบไว้ระงับสงสบสติอารมมากพุทโธที่ช่วยได้นะทำบริกรรมนี่ทำบริกรรมอย่างต่อเนื่งสักระยะหนึ่งแล้วอารมณ์ต่างๆมันจะเบาลงจะจางหายไปแต่ถ้าเขาไม่ ไม่ไม่ยินดีที่จะให้เราสอนเราก็สอนเขาไม่ได้คุณสมพรบอกว่าการปล่อยปลาได้รับอนิสงค์อย่างไรบ้างครับก็เวลาถ้าคุณเป็นปลาแล้วคุณปล่อยปลาคุณจะได้อะไรคุณก็จะได้ชีวิตใช่ไหมคุณช่วยเขาให้เขาชีวิตรอดไปโอกาสหน้าทั้งวันเขาหน้าวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดคุณไป ตกทุกข์ได้ยากเขาจะฆ่าเราแล้วก็อาจจะมีคนมาช่วยคุณก็ได้ให้เกิดแบบนี้อันนี้เป็นผลอย่างหนึ่งแต่ผลผลที่เราได้ทันทีก็คือความสุขใจจากการที่เราได้ช่วยชีวิตของคนอื่นทำไมัคุณหมอนี่ได้ช่วยชีวิตคนไทยเยอะแยะเลยใช่ไหมครับ ช, ช่วยกขาทาให้เขาหายจากโรคภยัยไข้เจ็บนี่รู้สึกยังไงมีความสุขใช่ไหมมีความสุข<อ>มาก อ, อันนั้นแหละคือสิ่งที่เราได้จากการที่เรา ช่วยผู้ไม่ว่าจะช่วยชีวิตเขาช่วยนักศึษาโลกภายไข้เจิตหรือช่วยความทุกข์ยากลําบากขาดแคลนเช่นช่วยให้เขามีอาหารกินมีที่พักอาศัยช่วยอะไรคนระับทำรังเราี้มันก็จะทําให้เราเกิดความสุดใจ ใ, ใจขึ้นมาล้วเวลากายไปความสุดใจใจนี้จะทําทให้ใจเราเป็นสวรรค์ขึ้นมาเป็นเทศนมคุณมาริสาครับ ครูบาอาจารย์ที่มรณภาพเราจะใช้คำไหนที่เหมาะสมในการแสดงความซาบซึ้งและสดุกดีในบา ร, รมีธรรมของท่านเพราะบางคนบอกว่างดเว้นคำว่าสาธุรับเราไม่ต้องไปสะดุก ด, ดีท่านหรเราพยายามปฏิบัติบูญชาดีกว่าพยายามนำมคำสัง่งคำบอนองท่านมาปฏิบัติให้เต็มที่จะดีกว่าถ้าไม่ต้องการการสะดวดีอะไรจากเราท่านมีเต็มเปี่ยมบา ร, รมีใจของท่านเปรมังสุขคขันธ์อยู่แล้ว อ่สิ่งที่ท่านต้องการปรารถนาจากเราก็าคือให้เราปฏิบัติบูชากันเท่านั้นอย่างตอนที่พะเจ้าสมก่อนจะเสด็จดับขันธ์งนั่นวาจาเขาเลยบัชินโมวา่ากันว่าสังขารนี่เป็นของไม่เที่ยงนะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปจงจงอะไรยังประโยชน์ ของตนนะประโยชน์ของผู้่นนี้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดเรให้รีบปฏิบัติทําให้บรนทุ่มทำเมื่อบรรทุกทำแล้วก็จะได้เอาธรรมนี้ไปเผยแพรสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปด้วยความไม่ประมาทก็คือให้รีบทำเช่นแต่วันนี้อย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะความตายนี้มันไม่มันไม่เลือกใครไม่เปนไม่เลือกเวลาไม่เลือกใครถึงเวลามันก็อาจจะตายได้ทันทีทันใดเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านต้องท่าไม่ต้องการคําสวดดี มาอ๋พระพุทธเจ้าเป็นคนดีแล้วการมีทำอะไรเมตตาต่อสัตว์น้องทั้งหลายท่านไม่สนใจกับคําสรรเสริญท่านเป็นห่วงเรามากกว่าเป็นห่วงใจเราที่ตกยังอยู่ในกองทุกข์แห่งการเมียร์มาตากทา่านจึงสั่งไปครับสอนคราสุดท้ายว่าอย่าประมาทให้รีบปฏิบัติให้ใหลุดพ้นจากกองทุกข์นี้ให้ได้เถอะยังถ้าเราอยากจะสรุปชะีบา ร, รมีธรรมของท่านก็ ตอนนั้นเราต้องเราปฏิบัติทั้งวันตอนไหนในสัตว์ชิงทั้งวั น, ใ น, ใ น, ใ น, ในง่ายๆอ็ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนไม่หลับนี่อันนี้เป็นการปฏิบัติบูชาใช่เรียกว่าปฏิบัติบูชาคุณสมพรครับการระ ง, งับกิเลสไม่ทําตามอารมณ์ต้องเอาอะไรไปปราบพยศไปปราบกิเลสครับก็ ป, ปัญญาเี่ยถ้าเรามีอย่างที่เมื่อกี้พูดใช้เหตุใช่หลักเหตุ กิเลสเป็นเรื่องของอารมณ์เห็นอะไรสวยอะไรชบาบะไรอย่างได้โดยที่ไม่รู้ว่าเอามาทําะไรบางทีซื้อมาแล้วก็มาวางไว้เกจการในบ้านเห็นบางคนไปชอปปิ้งมาไปเที่ยวตามที่ต่างเห็นของฝากของอะไรก็ซื้อมาซื้อมาแล้วก็มาติดในบ้านขึ้นมาบางทีก้าวสายตู้เก็บไว้ไม่ได้อะไรแต่เวลาเห็นเรื่องมันอยากได้ขึ้นมาเก็ยังเป็นเรื่องของอารมณ์เราใช่เหตุผลว่าจำเป็นต้องมีไว้ให้ของพวกนี้ ถ้ามไม่จเป็นต้องมีก็เก็บเงินเอาไว้เดี๋ยว่อนเงินที่เก็บไว้นี่มีประโยชน์กว่าเพราะเราอย่างข้างหน้าเราอาจจะงเงินทองอาจจะขาดแคลนก็ได้เรายังเอาเงินทองที่เราเก็บไว้นี่มาใช้ได้แต่ของที่เราซื้อมาแล้วนี่เอาไปแลกเปลีป่ยนเงินท่านี้มันได้แค่หนึ่งในสิเท่านัน้ของที่ซื้อมาแล้วกลายเป็นของเก่าแะ้ว คุณกรครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครั บ, ก, บ, าราารบการถือศีลแปดที่บ้านนอนในห้องที่เปิดแอร์ผิดไหมครับมันก็สมัยพุทธกาลมันไม่ีแอร์ท่านต้องการที่ไม่ให้เรานอนมากเกินไปถ้านานแบบตามธรรมชาติได้ก็จะดีมากเพราะการมีแอร์ก็เหมือนกับเป็นการเสริมความสุขสบายของทางร่างกายให้หลับนอนลื่นมากขึ้นแต่ถ้าเราปิดะ ติดอร์แล้วเราไม่นอนแล้วปฏิบัติทั้งคืนอย่างนี้ก็โอเคแอร์ น, นี้มันสามารถเป็นประโยชน์ก็ได้เป็นโอษก็ได้แล้วแต่เราจะรู้จักใช้มันไปในทิศทางไหนเหมือนกับมีดมีดนี่เรามาใช้ทําประโยชน์ก็ได้มาหั่นข้าวหั่นของทับับข้าวต้วววก็มีมีดนะถ้าเราใช้ไม่เป็นเราก็อาจจะมาทิ้มแทงเราตัวเราแล้วมาบาดหนึ่งเราเองก็ได้ก็มันก็เป็นบาดดาบสองคม ของบางอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศถ้ามันนอนอยังทั้งเหนื่อแตกพักไม่สามารถนั่งสมาธิได้ถ้าเราเปิดแอร์แนละ้วมันทําให้เย็นสบายแล้วเราสามารถนั่งสมาธิได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงไอ้อย่างนี้ก็ไม่ก็ถือว่ามันก็มีคุณค่ามีประโยชน์งั้นต้องอยู่ที่การใช้ของเร า, าเราใช้เพื่ออะไรใช้เพื่อการการมรสมุใช้เพื่อการปฏิบัติทรรให้เกิดสันติสุขคือความสมงบของใจ ีการใช้นคุณนิชาพรครับลกจากลูกชายเก้าขวบเขามีคําถามฝากถามเขาบอกว่าทําไมบางคืนผมนอนไม่หลับภาวนาพุทโธแล้วก็ยังไม่หลับจะทํายังไงให้หลับดีครับปกติจะเปิดถามตอบพระอาจารย์ให้ฟังก่อนนอนเกือบทุกคืนครับก็เป็นเพราะว่าอาจจะคิดมากคิดมากก็เลยทําให้มอไม่หลับกังวลกับเรื่องนั้นกังวลกับเรื่องนี้ หรือช่วงก่อนจะนอนนี้อาจจะไปดื่มก็รื่มเครื่องดื่มบางชนิดที่ทําให้นอนไม่หลับก็ได้มันก็มีหลายสาเหตุก็ต้องตรวจตาอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลานอนไม่หลับแล้ยิ่งอยากหลับมันยิ่งไม่หลับอย่างนี้มันไม่หลับก็อยากไปอยากให้มันหลับพูดโทรได้แต่อย่างไปพูดโทรก็อยากให้มันด้วยความอยากพูดโทรไปแบบไม่รู้ไม่ชี้หลับก็ตอนนี้ไม่หลับก็พูดโทรอพูดไปมันจะหลับไม่หลับก็ไม่เป็นไม่สนใจ อย่างนี้ถ้าอยู่กับพูดโทรมันก็ะช่วยหยุดความคิดได้ถ้าเราถ้าเราลราเราไม่หลับพราเราคิดมากการใช้พูดโทรมันช่วยนะครับความคิดได้มันก็ยจะทําให้เราหลับได้แต่ถ้าพูดโทรไปเอาอยากให้มันหลับนี่มันจะไม่หลับ น, นั้นต้องต้องตรวจดูว่ามันมเกิดจากสาเหตุอะไรกรารนอนไม่หลับอาจารย์มีอะไร คนในนี้คอมเมนต์ว่าพัดอยากให้พระอาจารย์นั่งรถ ด, ดีแล้วครับพระอาจารย์มีแต่คนศัตรอนุโตทนาด้วยครับคุณสมพรครับพระระวาต้องมีความสุขทั้งสองทางโลกและทางนักบวชคือพยายามทําให้มีความสุขทางธรรมคู่ขนานกันไปเสมือนทางรถไฟที่ต้องคู่ขนานกันไปพยายามให้ใช้ชีวิตเอียงเอ็นมาทางนักบวชมาทางธรรมให้มากขึ้นโยมเข้าใจการใช้ชีวิตเพศครวาตแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือยังครับ การที่เราจะเข้าสู่ความสุขทางธรรมนั้นเราก็ต้องเริ่มต้นฝึนนกในขณะที่เราอยางเป็นขลารวาสอยู่นี่นะแล้วเมื่อเราสึกมากขึ้นมากขึ้นความสุขทางธามมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะทําให้เราเกิดความิดีที่จะปฏิบัติมากขึ้นมันก็จะทําให้เราแยากตัวไปบางช่วงเช่วชวนวัดพระเราก็อาจจะแยกไปอยู่วัดแยกตัวไปอยู่วัดไปถึงสิ้นแปดไปปฏิบัติทาหนึ่ง 1, วันกันหนึ่งคืนนี่ จากที่ไม่เคยไปอยู่พักวัดเลยก็เริ่มไปกันต่อไปก็อาจจะไปครั้งละสามวันบ้างห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้างถ้าเห็นว่าการปฏิบัตินี้มันมีการเจริญข้าวหน้าแล้วทําให้มีความสุขมากขึ้นนี่เราก็มีศรัทธา ญ, ญาโยี่มาปฏิบัติกันบางคนเขมาแค่วันสองวันแล้วต่อมาก็มาสามวันห้าวันบางทีก็มาเจ็ดวันก็อะไรก็เป็นเรื่องของมุ่งการ การเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นวิธหวีหาความสุขจากทางหความสุขจากท่าโลกก็ค่อยเปลี่ยนมาหาทาัดทเริ่มต้นก็อาจจะยังไม่มาที่วัดก่ได้นั่งสมาธิที่บ้านบางครั้งสองครั้งเช้าเย็นกํนาลัสามสนาทีอะไรเวลาศึกษาธรรมะความเทศน์ทำไปให้กับความก้าใจที่เกี่ยวกับการปฏิบัติให้มากขึ้น แลมันก็จะทําให้การปฏิบัติเราได้ผลดีขึ้นต่อไปมัก็อยากจะปฏิบัติมากขึ้นอยากจะหาที่ปฏิบัติที่ที่ดีกว่าที่มากมก็ต้องไปหาไปอยู่ที่วัดกันมันเป็นการพัฒนาการเป็นการเปลี่ยนวิธีการหาความสุขจากการหาความสุขจากรูปสีเกียรติมาหาความสุขจากความสงบขึ้นถ้าเป็นถ้ามันจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆก็อยากที่เุ็หมอปากสุดท้ายก็ไปบว ความสุขแถวโลกมันเป็นควารฉุที่มันเป็นควันไฟมันได้มารับเดี๋ยวเดีวเดียวมันก็จางหายไปคุณวันเพนครับกับเรียนถามปฏิจจสมุปบาทสิบสองข้อลูกพยายามฝึกระวังตรงผัสสะที่เข้ามากระทบทางอายตนาทั้งหกแล้วเกิดเวทนาตัณหาพอได้ฝึกแล้วบางขณะเห็นกิเลสเ ก, กิดขึ้นก็ดับไปลูกมาถูกทางไหมเจ้าคะ ก็ต้องหยุดกิเลส น, นะคือความอยากที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีมีสุขหรือทุกขเวทนาปรากฏขึ้นมาเกิดเวนาขึ้นมาตัวปัญหาก็คือตัวความอยากก็ตัวกิเลสนะถ้าเกิดสุขก็อยากไปอยากได้อยากอยากไปอยากให้มันอยู่นานๆถ้าเกิดทุกขก็อยากไปอยากให้มันหายไปเร็วๆทําใจให้เฉยๆไวนะ้ที่หมอกยอมหยุดเงินก็ตรงตรงจุดเนี้ย ที่เวทนาเนี้เวทนานี้เป็นตัวที่เราไมา่ค่อยยอมกันเราอยากจะได้แต่สุขก็เวทนาไม่อยากจะได้ทุกข์กเวทนาใจเราก็เลยแข่งไปก่อ น, นมาทิ้งไปทิ้งมาเวลาจะสุขก็วิ่งไล่ตามเวลาเจอทุกข์ก็วิ่งหนีถ้าเวลานี้ไม่ได้ก็ทุกเวลาวิ่งตามความสุขไม่ได้ความสุขก็ทุกข์อีกอันนี้ทุกในอริยสัจสรรี่ไม่ใช่ทุกในเวทนา เราต้องพยายามแก้ที่ตัวความอยากนี่ด้วยการใช้สติเนี่ยคอยห้หยุดความอยากเริ่มต้นถ้าเราใช้ปัญญาก็ได้ก็ใช้สติพุโทโธพุโทโธอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่เราอยากพอไม่คิดถึงเรื่องที่เราอยากความอยากมันก็จะหายไปชั่วคราวใจก็จะกลับมาสงบได้ คุณมาริสาครับตอนนี้มีการแสดงออกในการเรียกร้องถึงเสรีภาพที่ตอบโจทย์ของคนบางกลุ่มที่เต็มไปด้วยกิเลสที่แน่นหนารัดร้อยและพยายามหาเหตุผลอธิบายเพื่อเข้าข้างตัวเองอยากขอข้อธรรมจากพระอาจารย์ในเวลาที่เสกข่าวจากคนพวกนี้เพื่อความปลอดภัยเจ้าคะ่ะก็เป็นเรื่องของเขาะเป็นเรื่องของความหลงที่เขาไม่รู้ว่าเสรีภาพในโลกนี้มันเป็นเสรีภาพของกิเลส คนอยากจะทําอะไรตามควาเพลใจแต่ไม่ทํานึงถึงผลที่จะตามมาเพราะว่ามันทําด้วยความอยากแล้วเมื่อเวลาถึงเวลามันจะต้องไปเจอกําแพงคุณไม่สามารถทำตามความอยากได้เมื่อมันทำตามความอยากไม่ได้เวลานั้นมันก็จะเจอแต่ความทุกข์ใจดังนั้นบางทีบางสิ่งบางอยา่างถ้าเป็นเรื่องของความอยากที่เป็นเป็นของกิเลส น, นี่เราต้องหาห้ามใจอย่าปล่อยให้มันเป็นอิสระ ควอยากยะประพฤติในทางที่มันเสื่อมเสียที่เป็นอเป็นทางทางอบายามุ้งงื้อทางบาปนี้ไม่ควรใช่กันเช่นก่อนประพฤติผิดประเพณีในการเสพอบายาอยุ้เช่นสุรา ย, ยามาเานี่ยองค์นี้มันไม่ควรจะเป็นไม่ควรที่จะไปเสพเนี่าแต่ให้มันเสพดีเลยถ้าให้มันไม่เสรีก็มันจะไม่ควรที่จะไปหาเป็นมาเสะ เพราะมันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจขอ ง, ของผู้เสพนั่นแหละแต่ข้างต่อมาต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องของวิบากกรรมของแต่ละคนถ้าเขามีความคิดทางนี้ความเห็นทางนี้มันก็เป็นเรื่องอวิชาของเขาเขาก็ต้องไปทางของเขาไปแเราก็ต้องต้องเชฉยเฉยไปไหวก็ทันเทําเรื่องกัน นอกจากว่าถ้าเข้ามาอขอคำปรึกษาแล้วพูดคุยกันได้คับพูดคุยกันไปถ้าพูดคุยไม่ได้ก็ต้องยอมเงเย็นนหอันนย็นก<ๆ>็ยอมเงียเย็นจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับระอาจารย์ครับผู้ที่ทำผิดศีลแต่ไม่ได้ทำให้ผู้ใดเดือดร้อนหรือเป็นทุกข์เช่นดื่มสุราแล้วนอนหลับไปไม่ได้รบกวนใครการยอมให้สามีนอกใจโดยตัวเองไม่ได้เดือดร้อนใจ ผู้ที่ทำผิดศีลแบบนี้จะต้องได้รับผลของกรรมไหมครับมันก็พายามพาพูดเ็มืนา ง, ง่ายแต่ว่าจริงๆทำมันได้เลยใครไม่รับหัวมีแต่ข่าวข่าวเวลาใครมาแย่งหัวตัวเองนี่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตัากเะยถ้าค น, กนยกให้ได้อัศนาตอนนั้นก็เป็นเหมือนโพธิสัตว์นี่นใจเป็นฐานยิ่งใหญ่ อันนี้ก็เป็นเรื่องของถ้าเรื่องของข้อสามนี่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ตกลงกันก็ได้าระหว่างสามีภรรยาทั้งสองฝ่ายยินยอมกันยอมให้ไหวไดฝ่ายหนึ่งไปมีนอกบ้านได้ก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรแต่มันก็จะเป็นการส่งเสริมยิดสัยของความเป็นเดรัจฉานเดรัจฉานนาี่มันก็ชอบหาใหม่ใหม่ ห, มหรืออะไมันไม่มันไม่ม มันไม่อยากจะมีความรับผิดชอบกับผู้ตัวใดตัวหนึ่งก็ไปเสกการที่มันอยากแต่ถ้าการอยู่ด้วยความเป็นมนุษย์นี้การเสกการนี้มันก็เป็นสิ่ที่ต้องมีกันเพราะมนุษย์ยังมีกิเลสอันี้อยู่แต่ให้ถ้าอยากจะเสกการแบบมนุษย์ก็ต้องเสกการแบบเฉพาะคู่ขุนตอคู่ขวาง เพราะว่ามันจะต้องมีการก่อร่าสร้างครอบครัวขึ้นมาเพรามีโลคมีเจ้ามันจะต้องคอยยืมดูกันดูแลกันถ้าไปมีแบบไม่มีกอบไม่มีเขนในวันหยาจะอาจจะไม่มีการรับผิดชอบครอบครัวของตัวน่าจะทําให้บ้านแตกสลายขาดได้มันก็แล้วแต่อันนี้ก็ต้องพิจารณากันเอาเองแล้วกัน แต่ถ้าใ น, ในทางกฎแห่งกรรมก็มันถ้าเป็นการเสพการแบบไม่มีคู่คอรองไม่เลือกคู่คอรองจอใครชอบที่ไหนก็ไปนอนกับเราที่โ น, น, น่นนี้มันก็เป็นลักษณะของศาสนาในกระชาเนนี่คุณสมพรครับในทางพระพุทธศาสนาเราไม่จําเป็นต้องเรียนศาสนาถึงปริญญาเอกในทางโลกแต่เหมือนเสมือนเราได้รับปริญญาเอกทางธรรมในทางจิตใจกันได้ทุกคนที่ปฏิบัติ โยมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรือยังครับอะไรจะเป็นตัวบ่งชี้เป็นเกณฑ์วัดว่าเราได้ปริญญาเอกในทางธรรมครับก็การบรรลุมรรคผลที่ผานไงการบรรลุโสดาบันสกิฎาราคามีอนาคามีนะพระ่ะนี่ก็จะแบ่งเป็นนะระดับปัญญาตีทงเองง่ายพระโสดาบันก็เป็นปัญญาปีนะสกิฎาราคาพระอนาคาก็เป็นปัญญาทง นน่นนาาาก็็เเปปริญญคุณเจยเฮียงครับบางครั้งหนูไม่ได้ใส่บาทกับพระเดินหนนแต่ให้ทานกับเด็กที่เดินตามพระถือว่าได้ทำบุญเหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะก็ถ้าเราเสียสละจำนวนเท่ากันมันก็เหมือนกันสมมติเราทำบุญร้อยบาทกับพระหรือทําุญร้อยบาทกับเด็กแล้วก็ได้ทํา แต่ประโยชน์ที่พระกันเด็กทํามาอาจจะต่างกันถ้าเป็นพระที่ดีท่านอาจจะทําประโยชน์ได้มากกว่าเด็กเด็กก็ทำประโยชน์ได้น้อยกว่าการทามูลกับผู้ใดูุญเด็กก็เป็นไปกับการสนับสนุนเข้าไปในตัวด้วยนสนับสนุนให้เขาทำในสิ่งที่เขาสามารถทําได้คุณประชาครับมีความเป็นไปได้ไหมครับว่า ไม่ว่าเราจะต้องเกิดเป็นอะไรเราก็มักจะคิดว่าสถานะนั้นดีเช่นเกิดเป็นคนก็คิดว่าดีเกิดเป็นหมาเป็นแมวก็คิดว่าดีถ้าไม่มีความรู้ปัญญาที่ถูกต้องก็ไม่สามารถรู้ว่าอะไรดีที่สุดครับไม่จริงหรอกมั้เวลาคนกบเัาเป็นคนคน น, ค น, น, น, นี้คนนั้นคนนี้คนก็คิดว่าเขาดีกว่า่ะเขาเาลยกวาเราก็ต่างกวเราเขาสูงกว่าเราอย่ไห ม, มันต้องมีความคิดมีต้องรู้ว่า นะนี่ครับถ้ามันดีก็ดีไปเลยถ้าคนเราพอใจกับสถานนี้ฐานะของตนมันก็โล่นี้ก็ยังไม่มีปัญหาแะมันที่มีปัญห า, นหนากันทุกวันนี้เพราะมันไม่พอครับพอใจกับสรัทธาภาพของตนมีความโล่งมักใหญ่ฝ่ายสูงคุณจินดาครับ พอดีมีคนฝากถามค่ะว่าเวลามีคนตําหนิหรือพูดไม่ดีเราก็ยอมและหยุดไม่โต้ตอบแต่เหตุการณ์ดังกล่าวมันยังติดอยู่ในใจค่ะมีวิธีแก้ยังไงหรือมีธรรมะข้อใดจัดการกับสิ่งที่ติดในใจครับก็ต้องใช้สติเนยใช้ขั้นพิสติมันอนดีตมันก็จะผ่านไปเราก็จะไม่กลับไปคิดถึงมันแต่ ถ, ถ้าเราไม่มีสติใจเราก็ชอบคิดทถ้าอดีตคิดถึงนอนาคตถ้าเกิดเวลามันคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไาแล้วเราก็ใช้ใช้สติ ใช้คําปเลยกับพุโทโธพุโทโธเหมันทุกครั้งที่มันคิดถึงอันดีตที่ผ่านมาแล้วเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปจนกว่ามันจะหยุดคิดพอมันหยุดคิดเราก็หยุดพุดโทโธได้มันถ้าเกิดมันไปคิดอีกแล้วก็พุโทโธไปเหมือนกับรถถับถ้าเราต้องการให้รถจอดแล้วก็เหยียบรกไปพอรถจ อ, แ อ, อไไดออแล้วก็เราต้ปล่อยเบรกได้พอเนิ่มขยับอีกแล้วก็เหยียบเบรกไปแค่นั้นเอง คุณสมพรครับถ้าเรามีสมาธิเข้มแข็งแข็งแรงเราจะไม่ใช้จ่ายอะไรไปตามอารมณ์ไปตามกิเลสตัวเองส่วนใหญ่ร้อยละเก้าสิบโยมใช้จ่ายตามความอยากแสดงว่าโยมต้องฝึกสมาธิเข้มแข็งเพิ่มขึ้นเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องไหมครับอาจารย์ถูกต้องเพราะว่าการมีสมาธินี้มันทําให้ใจเราอิ่ใจเราสุขเมื่อเราอิ่มเราสุขแล้วเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆภายในนีน้ว่ามันเป็นของที่ไม่ไม่ มไม่มีคุณค่าเหมือนกับความความสง บ, บที่เราได้อยากสมาธินะ ย, ยังมีสมาธิมากเท่าไหร่ความอยากได้สิ่งต่ตางๆภายนอกก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆคุณอีฟครับการที่เราอดทนมากๆเวลามีคนมาว่าเราเราจะกลายเป็นคนเก็บกฎไหมเจ้าคะก็แล้วแต่ว่าเราอดทนแบบไหนถ้าเราอดทนแบบเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เราทําอะไรไม่ได้ มันก็ไม่เก็บกดมันก็ปล่อยวางไปถ้าเราเอามาเราอยากจะโต้อตอบแล้วเรามาคอยคุมด้วยให้มันโต้อตอบมันก็อาจจะการการเก็บเก็บกดอารมณ์ไว้ก็ได้ซึ่งวันทีถึงเวลาก็อยากจะระเบิดให้มันปล่อยออกมาทีนึงก็ได้นั่นเองแล้วแต่ว่าเราเราเราหยุดอย่างไรถ้าเราหยุดด้วยด้วยปัญญาด้วยเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุ ม, มบังคับก็ไม่ได้ เาจะหนาวมันไชมเรานี่เราไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้แต่เราไม่ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาหน้าถ้าเราเยอมรัว่ามันเป็นนี่คือปรากฏการณ์างธรรมชาติเหมือนฟ้อนร้องเหมือนนกร้องอย่างเงี้ยเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เขาจะร้องไปว่าร้องไปพ่าราองไมันก็ผ่านไปก็จบไปถ้าเราไม่เอามาคิดมันก็ไม่มีปัญหา ไม่ประสงค์ออกนามครับอาจารย์การเรียนขอแค่นะนําเจ้าคะ่ะหากเราทราบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของพระอาจารย์ที่เราเคารพนับถือมากจะวางใจวางจิตแบบยอมหยุดเย็นเริ่มต้นอย่างไรดีเจ้าค่ะโดยที่ยังต้องสัมพันธ์กันอยู่ค่ะก็เป็นเรื่องของท่านะท่านจะดีจะชื่วก็เรื่องของท่านมันเป็นเรื่องที่เราไปไปทําอะไรไม่ได้เป็นชีวิตของท่านถ้เาเราเสื่อมศรัทธาแล้วก็คงจะต้องถอยตัวออกไปถออไป ความเชื่อความกำลังมันก็อาจจะห้ไปเป็เรื่องธรรมดาคุณออนอนงครับถ้าเรายังไม่ได้ปัญญามีแค่เพียงระดับสมาธิเรายังคงต้องฝึกเข้าสมาธิให้นิ่งถึงระดับอัปปนาเพื่อให้จิตเป็นอุเบกขาอยู่ตลอดตลอดจนกว่าเราจะได้ปัญญาใช่ไหมคะใช่ส่วนใหญ่การบริบัิก็ต้องผ่านขั้นสมาธิ่อนให้สมาธิมีมีอุเบกขามากๆ แล้เราก็จะสามารถใช้จนนปัญญาแลนะนำปัญญาที่เราได้พิจารณานี้มาใช้ฆ่ากิเลสความอยากได้คุณวีนาครับกับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ว่าการยอมหยุดเย็นเป็นการลดความอยากอย่างหนึ่งใช่ไหมคะได้ก็พอเรายอมแล้วก็หยุดความอยากหยุดต่อสู้งยอยากให้เป็นอย่างนั้นหยุดอยากให้เป็นอย่างนี้นมีญาตโมชอบมะถาว่ถามว่า คุณพ่อชอบเด็กดเน่าเขาจะทํำยังไงอยากอยากให้คุณพ่อไม่เดือหน้าก็เรามองธรรมชาติของคุณพ่อของเราคุณพ่อก็หยุดเขาเองได้ตัวเขาเอเขาหยุดเขอเอไม่ได้มันเป็นธรรมชาติของเขาเราก็พยายามรับว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาเขปล่อยก็ก็อยากจะเดืนดเขาปล่อยเรื่องไม่เป็นเรื่องของเขาไปเราก็หยุดความอยาก คุณสมพรครับจิตใจของคนเราก็มีการเปลี่ยนแปลงบางครั้งสุขบ้างครั้งขุ่นมัวบางครั้งจิตแกว่งบางครั้งจิตสวิงจิตมนุษย์สามารถพัฒนาให้เป็นจิตเดียวคือจิตสงบจิตนิ่งได้หรือไม่ครับต้องปฏิบัติทำอย่างไรกันกันอย่างไรครับถ้าไปถึงที่พานจิตมันก็จะนิ่งตลอดไปนะจิตมันก็จะไม่แกว้งไปกับปรากฏการณ์ต่างๆที่มาสัมผัสน้ำรู้จิตก็จะสั่งแต่ว่ารู้หมือนที่พระเจ้าฝรงสอนไปอะให้สั่งแต่ว่ารู้ไป ถึงจุดนั้นได้ก็ต้องมีสติม้อเปอร์เซ็นต์มีปัญญา1้อยเปอร์เซ็นที่เรียกว่ามาสติมาปัญญาคุณประชาครับถ้าเราทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเพื่อให้คนอื่นมีความสุขจนลืมดูแลสุขภาพาตนเองมีอาการป่วยไข้ เ, เรื้อรังในกรณีแบบนี้ตัวเราควรวางใจอย่างไรและไปปฏิบัติตนเพื่อรักษาสมดุลจึงจะเหมาะสมครับก็สแสดงว่าเราไม่ฉลาด เราควรจะเป็นดูแลคนอื่นจังนึงดูแลตัองเรา<อ>เรเราก็ต้องดูแลตัวเราให้ดีก่อนแล้วถึงค่อยมาดูแลคนอื่นใน่ไหมถ้าเราเจ็บไข้แท่นป่วยแล้วเราจะไปดูแลคนอื่นไดไ้เราก็ต้องเริ่มต้นก็ต้องดูแลตัวเราไม่ให้เจ็บไข้แท้นป่วยเมื่อร่างกายเราไม่เจ็บไข้แท่นป่วยพร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราไปช่วยเหี้ยเขาพระพุทธเจ้ยาทรงตดไปมาตรงยางประโยชน์ของตนน้าของผู้อื่ให้ถึงพร้อม เบื้อต้นให้ยังประโยชน์ของนตนก่อนเพรประโยชน์พื้นตนได้แล้วก็ไปยังประโยชน์ของผู้ต่อไปคือปฏิบัติเบต้องก็ต้องทําให้เราทนจับหามทึงก่อนถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องรักษาให้เราหาจากโรคภัยไข้เจ็บก่อนหายแล้วเราก็อาจาอาาอาาาจะไปช่วยคนอื่นได้ถ้าเรายังเจ็บไข้ได้ป่วยเราจไปช่วยเหลือคนอื่นได้ คุณออนอนโนงครับขออนุญาตถามเพิ่มเติมค่ะว่าแล้วถ้าสมาธิเรายังไม่ถึงระดับอัปนาสมาธิจิตเราสามารถเป็นอุเบกขาได้หรือไม่คะก็อาจจะได้มากอาจจะได้น้อยไม่เหมือนกับเวลาที่มันเป็นอัปนาสมาธิมันจะได้เต็มร้อยเต็มที่คุณสมพรครับถ้าให้ดูตัวเองโยมดูเหมือนจะยอมในเรื่องราบยศ คือยินดีตามมีตามเกิดตามความรู้ตามความสามารถแต่จิตจะยังอ่อนแอในการตามใจกิเลสตัวเองอยู่อีกมากเพราะไม่เคยตามดูจิตตัวเองมาก่อนไม่เคยได้ฝึกดูกิเลสมาก่อนจึงไม่ง่ายนักที่จะตัดรูปรดกลิกก่นเสียงโผฏฐพะจะลองฝึกกันต่อไปก็ออ๋อแล้วให้ฟังจะลองฝึกต่อไปครับคุณหลินครับพระอาจารย์คัธรรมะจะชนะกิเลสในใจตนจะใช้อาวุธไหนดีเจ้าคะก็แล้วแต่ว่า มันก็ต้องใช้สติปัญญาเนีเป็นอาวุธที่เราสามารถที่จะใช้กำจัดกิดได้ทุกชนิดเนีคุณกวีครับพระอาจารย์ครับเคยได้ยินว่ากายนี้ไม่ใช่ใจนี้กายนี้ไม่ใช่ใจนี้ใจนี้ไม่ใช่กายนี้ที่ว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปรวมใช้กับใจได้ด้วยไหมครับคือร่างกายเนี่ยมันเกิดมันก็ต้อง หลับไปมันก็เพราะมันเป็นการหลงๆธาตุสีวันหนึ่งมันก็จะต้องแยกกันไปธาตุทั้งสีจะแยกกันไปร่างกายนี้ก็จะให้ไปอย่างถาวรแต่ใจนี้มันมันเป็นสิ่งที่มันไม่ได้ประกอบขึ้นจากอะไรมันก็เลยไม่มีวันตายไม่มีวันดับไม่มีวันแยกแต่มันก็เป็นมันแต่สิ่งที่มันมีอยู่ในใจนี้มันก็ยังมีการแปรปุ่นอยู่คืออารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆในใจนี้มัน ยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนอยยังขึ้น ข, นข อ, นอันนี้ก็ยุทธ์กที่เราเรียกว่าเกิดดับก็คือความคิดคิดเรื่องนี้แล้วก็หยุดคิดแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นอันนี้ก็เรียกเกิดดับเกิดดั บ, ด บ, ดบมีธนาก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่สุขไม่ทุกข์นนกกกอันนี้ก็เรียก ว, ว่าเกิดดับเกิดดับอันนี้ก็เรียกว่าบางคนกพูดยังง่ายว่าจิตยังมีการเกิดดับอยู่แต่ตัวจิตตัวจิตไอเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่ไม่มีการเกิดไม่มีการ ตัวรู้เนี่มันแต่สิ่งที่มีอยู่ในจิตนี่มันยังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อยู่ความคิดทุกแตกอะไรต่างๆนี่คุณเข็มจีลาครับทําอย่างไรจะตัดใจได้วางไม่ลงปรงไม่ได้เลยค่ะยังคิดเสมอๆว่าตนเองยังสามารถทํางานได้ดีกว่านี้ทําได้มากกว่านี้ทุกที่สุดเลยเจ้าขาลงตาก็คิดถึงความตายก็จริงวันหนึ่งมันต้องตายแลนะว่าต้องเจ็บไายเรื่ป่วย หรือพิกรพิการวันนั้นเร า, าก็จะทาอะไรไม่ได้นั่งกายนี้มันไม่ได้เป็นจิจเรื่องเป็นสิ่งที่จีรังถาวนที่จะตอบสนองความอยากของเราได้ไปตลอดวันหนึ่งก็ต้องเจอกับสภาพที่มันไม่สามารถตอบสนองความอยากความอยากของเราได้พระเจย์จทึงสอนให้เราพิจารณาอยู่อย่างนีงนง้ทุกวันเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ เมือันเห็นรัมันก็อยากจะทำให้เราต้องเตรียมตัวปรับใจเราแล้วลว่าต่อไปข้างหน้าเราจะไม่แข็งแรงแบบนี้เราจะไม่ได้เป็นอย่างนี้เราจะต้องกลายเป็นคนแก่คนเจ็บคนตานยไปตอนนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องยุดอยู่ดีคุณปรีดีครับกับเรียนถามครับเราช่วยสนับสนุนลดค่าราคาให้เขามาสี่ปี ตอนนี้ลำบากมากเพราะพิษเศรษฐกิจของเขาขึ้นราคาขเขามีเงินแต่เขาว่าเราแรงและวางสายไม่พูดด้วยไม่ตอบกลับเราได้จะสวดมนต์แผ่เมตตาแล้วควรทํายังไงอีกคะตอนนี้ลําบากจริงๆค่ะที่พึ่งตอนนี้คือพระรัตนตรัยครับก็เราเมือเ่อเล็กน้องไม่น่าเราก็ต้องยอมยอมรับความเปจริงแล้วก็หยุดความอยากที่จะไปให้ไปนิดน่อยเขาก็ยินดีตามมีตาเกิดไปอยู่ไปตามอัตภาพ วิธีหนึ่งที่จะช่วยทำให้เราอยู่ได้สบายขึ้นก็คือเราต้องอยู่แบบประห ย, ยัดอยู่แบบมัดน้อยสั้นเดนิอันนี้ก็จะช่วยเราได้แล้วก็มาฝึกสตินั่นงสมาธิหาความสุขจากการทําใจให้สงบเพราะถ้าใจเราสงบในความสุขรับความอยากได้ในทรัพย์สินได้ต่างๆมันก็จะน้อยลงไม่ความจําเป็นที่จะต้องใช้ทรัพย์สินไปซื้อความสุ คุณวิไลครับเวลาเรายืนจงกลมเราท่องผมเกษาขนโลมานะขาเล็กทันตาฟันตาโจนหนังได้ไหมครับได้ทำได้โชคดี ย, วยาวยืนเดินยืนนั่งนอนก็สามารถเจริญสติท่องบทเหล่นี้ได้ ท่นเดิมแล้วต่อครับอาจารย์บอกก็โยมช่วยเขามาตลอดเวลาที่เขาขอช่วยเหลือเขาแต่ตอนนี้โยมลําบากเขาไม่ช่วยเหลือเลยค่ะแถมว่ากลับโยมได้แต่ทาใจทาสมาธิแผ่เมตตาให้เขาอย่างนี้ทําถูกไหมครับก็ถูกแล้วทำในการช่วยเหลือบุตรนี่เราไม่ควรที่จะไปหวังให้เขากลับมาช่วยเหลือเราหรือถ้าหวังแล้วเราอาจจะผิดหวังได้อาจจะเสียใจยได้คิดว่าเราไปการทําบุญทําทานส่งเคาะเข้าไปโดยที่ไม่หวังผมตอบแทน เราก็จะไม่เสียใจเวลาที่เราเหนือดร้อนแล้วเราไม่ได้เขามาช่วยเดือดเราอ๋อเขาเข้าใจวิธี้ครับอาจารย์บอกแผ่เมตตาให้เขาหวังว่าเขาจะกลับมาช่วยโยมบ้างเนี่ยได้ไหมครับคือแผ่แผ่เมตตาแล้วหวังว่าเขาจะมาช่วยเราคือแผ่เมตตาแผ่ยังไงแผ่เมตตาก็เคยก็ต้องทําคือการแผ่เมตตามันก็มีอยู่สี่ลักษณะหรือไม่จอมเว้กับเขาไม่โกรธเขาไม่เอาท่าพยาบาล หรือไม่ไปทําร้ายร่างกายเขาหรือมีของอะไรไปให้เขาให้เขามีความสุขนี่อันนี้คือการแผ่เมตตาไม่ใช่แผ่เมตตาไม่การนั่งสวดการนั่งสวดนี้ไม่ได้เป็นถือว่าเป็นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาก็คือต้องเกิดจากการกระ ท, ทําเช่นเราเสียใจเราโกรธเขาอยากจะคอยช่วยเขามาเขาไม่ช่วยเราก็เลยเราอยากจะไปทําร้ายเขาแล้วเราไม่ทำนี่ก็ถือว่าเราแผ่เมตตาให้เขาแล้ว ในการไม่ไปทำร้ายร่างกายของเขาอาจารย์ครับผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่จะเข้าใจคําว่าแผลเมตตากับแผลบุญกุศลว่าเหมือนกันนะครับอาจารย์แต่คน่าอ ะ, ะยากนคืเมตตาก็ระระาาคือความปรารถนาดีที่เรามีต่อบุคคลต่างๆเรียกว่าเมตตาเมตตาคําว่าเมตตาคือมามาจากคําว่ามิตรมิตรก็มาจากคําว่าเมตตาเป็นมิตรกัมีไมตรีจิตต่อกัน คือความเมตตาไม่ไ ม, ไม่ถ้าเราเป็นมิจฉาเราก็จะไม่มาทําร้ายกันนะก็จะมีแต่ความปรารถนาดีอยากให้มิจฉาเราที่มีความสุขตัวการแผ่บุญนี่คือการทําบุญแล้วอุทิศบุญอันนี้ต้องทําให้กับคนที่ล่วงละไปแล้วเพราะว่าคนที่ที่อยู่นี่ทําเองจะได้บุญเยอะกว่าซึ่งนะนําให้เขาไปทําบุญนี่ก็จะได้บุญเยอะกว่า การที่เราทําบุญแล้วอุทิศให้เขาไปที่เราต้องอุทิศให้คนตายเพราะคนตายไม่สามารถทําบุญได้แล้วด้วยตัวเขาเองเราก็ต้องอาศัยบุญที่นี้ไปช่วยเขาแต่มันได้ส่วนน้อยไม่ได้มากเท่ากับการทําบุญเองยังไม่เป็นมีประเพณมที่เราจะทําบุญแล้วอุทิศให้คนเป็นบุญที่เราทําแล้วอุทิศให้คนตาย แล้วเขาต้องเป็นคนที่มาขอบุญจากเราด้วยถึงจะอุทิศให้เขาได้ถ้าเขาตายไปแล้วเขาไม่มาขอบุญจากเราอุทิศไปเราไม่รู้ว่าเขารับได้หรือป่าวไปรลยคุณประชาครับเมื่อพบเหตุการณ์มีผู้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรแสดงความรู้สึกแบบใดดีที่สุดครับข้อที่หนึ่งยินดีที่เขาได้พ้นทุกข์ในชาตินี้หรือสองเสียดายที่เขาเสียโอกาสทำความดี หรือสาเฉยๆธรรมดาพยายามวางอุเบกขาครับเฉยๆแบบนีน้เพราะมันเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของธรรมชาติที่ไม่มีใครไปกำหนดได้ว่าจะตายเมื่อไหร่คุณเกียรติครับถ้าเพื่อนบ้านละเมิดกฎหมายทำให้เราได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเราควรยอมเขาไปเรื่อยๆหรือว่าไปร้องเรียนหรือสู้ในทางกฎหมายครับ ก็แล้วแต่เราว่าเราพร้อมที่จะรับผลกระทบที่เกิดจากการกระทําต่อเขาหรือไม่ถ้าเราไปร้องเรียนหรือไปฟ้องร้องไปแจ้งความเขาก็อาจจะไม่พอใจแล้วก็อาจจะหาวิธีที่จะมากัดแจ้งเราหรือทำร้ายเราก็ได้เราพร้อมที่จะรับกับผลกระทบนี้หรือไม่ถ้าเราไม่อยากจะมีเวนมีกรรมไม่อยากจะให้เขาต้องมาทําอะไรกับเราอีกเราก็เฉยเฉยไป ว่าถ้าเราไปทำนะอาจจะไปทำให้เขากลับมาแรงกว่าเก่เา ค, คุณอุไรครับบางครั้งการนั่งสมาธิจิตสงบเร็วนั่งหลับตาก็สงบใจเย็นแต่พอเดือนนี้นั่งไม่ค่อยสงบบางครั้งกลับไปเห็นอดีตตอนยังเด็กภาพมันชัดมากตาลืมขึ้นมาทันทีแก้ยังไงดีคะตอนเป็นเด็กอยู่ท้องไร่ท้องนานไม่เคยมีความทุกข์เลยคะ่ะเราลืมสติกัน เราพอเรลื่นสติขาดสติเหมือนใจก็แลยคิดไปถึงร่างพอเรารู้ว่าราเริ่มฟุ้งซ้าน้ะเราก็ควรจะเริ่มใช้คำบริกรรม พ, พ, พุ่งถวพุ่งเถวขึ้นมาทันทีแล้วอย่าอยู่จนกระใจจะเนิ่งจะสงบคุณคุณพรพิมลครับขอความเมตตาพระอาจารย์ถ้าเราเกิดปัญหาซ้ำๆความคิดไม่ตรง ก, กันกับคนในครอบครัวที่ไม่ได้เข้าถึงธรรมะ เรานิ่งและอยากจะหนีไปแต่ทำไม่ได้ต้องทนอยู่คะ่ะทำอย่างไรดีคะก็ทนว่าเป็นกรรมเราว็กรรมเราที่ต้องมาอยู่กับเขาคุณปุ้ยครับนักราระาราชาครับเราควรใช้ชีวิตแบบไม่เบียดเบียนคนอื่นเมืม่อวานไปทานข้าวคนส่งอาหารผิดเจ้าของร้านถามว่าทุกอย่างดีไหมตอบไปว่าได้ของผิดแต่ทานได้ คนเสิร์ฟโดนว่าแบบนี้ก็แปลว่าเราต้องไม่พูดอะไรหรือคะเขาไม่หรอกก็เป็นเรื่องธรรมดาเราก็พูดต่างความเปนจริงไปส่วนเจ้าของก็ต้องตำหนิคนเสิร์ฟเพราะว่าบริการลูกค้าไม่ดีเพื่อเป็นการมากล่าวตักเตือนเพื่อให้เขาจะได้ระมัดระวังถ้าไม่ตักเตือนมากล่าดเดี๋ยวก็จะทับซ้ำซากได้อันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่อยู่ในสังคมที่เวลาทําผิดอะไรก็ต้องมีการมากล่าวตักเตือนกัน ค, ค, คุณนัทวัตรครับกับเรียนถามพระอาจารย์ครับผมเคยบวชระยะสั้นสิบวันวัดใกล้บ้านสมัยเรียนมหาวิทยาลัยจบมีพระวัยรุ่นชวนไปที่กุฏิชวนให้ดูหนังช่วงค่ำแต่ไม่ได้โปรงอาบัตหลังจากนั้นศึกเอามาควรทำอย่างไรดีครับยังเป็นเรื่องที่ติดค้างในใจแต่ว่าในอนาคตคิดว่าอยากจะบวชครับก็ไม่ได้ไม่ต้องทาเลยมันไม่ได้ปกไม่ได้ปก การปลงกระบาดก็เป็นเพียงแต่เป็นการประชารภาพาว่าเราทําผิดกับภาพรูปการร่ปเนี่ยแล้วก็จะเหมือนกับสัญญาว่าจะไม่ทําผิดอีกต่อไปเท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปปลงกระบาดก็อาจจะท่าแนแสดงว่าเรายังเรายังอยากจะทําผิดอีกก็ได้เราก็ไม่ได้ไปปลงกระบาดถ้าเราคิดว่ามันผิดแล้วเรา หรือว่ามีมีความสำนึกในบาป ท, ที่เราทำว่ามันไม่ดีถ้าเราพยายามไม่ทำอีกต่อไปมันก็เหมือนกับได้ไปปวงอบัปแล้วคุณลพิดาครับกับเรียนพระอาจารย์ในวันนี้คุณพ่อได้ขับรถชนสุนัขโดยไม่มีเจตนาแต่ท่านนำกลับมาคิดจนเกิดภาวะเครียดและมืนศีษะค่ะมีทางใดที่จะช่วยให้ท่านหายจากความเครียดในเหตุการณ์ดังกล่าวบ้างหรือไม่เจ้าคะ หนูในฐานะลูกจะสามารถช่วยคุณพ่อให้สามารถรู้สึกสบายใจขึ้นได้อย่างไรครับมันก็อยู่ที่ว่าท่านต้องการให้เราช่วยเหลือท่านหอนไม่ฟังเรานี่ไม่ถ้าฟังเราแล้วก็บอกว่าทํารรมะมาบอกก็ว่าการที่เราไปชนชุนัเนี่มันไม่ได้เป็นถ้าไม่มีความตั้งใจไม่มีเจตนานี่ไม่ถือว่าเป็นบาปถือว่าเป็นอุบัติเหตุซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ทั้งกับชุนัขและเกิดกับเรา นานจะขับเรืยไปแล้วคนคนหนึ่งอาจจะหลับสับประหกแล้วขับเรมาชนเราก็ได้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของโลกเราอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องมีเหตุการณ์เหลนี้เกิดขึ้นเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไม่ได้ทํามีเจตนาที่จะไปทําร้ายเขานี้เราจะไม่มีบาปตามตามตามาอาจจะไม่เราไม่ต้องไปรับใช้ผลของบาปทีข่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน คุณวานิดาครับตอนนี้ยังมีความรู้สึกว่าการกินเนื้อสัตว์เป็นการทําบาปทางอ้อมแต่ก็ยังไม่สามารถงดกินได้การแผ่เมตตาให้สรรพสัท์เหล่านั้นจะถึงสัตว์ทั้งหลายไหมคะออการแผ่เมตตาก็ต้อง ไ, ไม่ต้องไม่ค่าก่อนถึงง่ายเาเป็นการแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งสวดแล้วไปแผ่เมมันไม่ได้แผ่เมตตาการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำ จากผู้ไม่ประสงออกนามครับอาจารย์แต่ก่อนเวลามีอารมณ์โกรธอะไรกระทบจะร้อนรุ่มในอกต้องระเบิดออกมากับคนข้างเคียงพยายามได้นําคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาฝึกปฏิบัติจนปัจจุบันนี้จิตใจหายร้อนรุ่มหายไปแต่ยังมีอารมณ์ไม่พอใจอยู่ยังแสดงสีหน้าอยู่อย่างนี้ต้องปฏิบัติธรรมถึงยังไรจึงจะยอมหยุดเย็นได้เจ้าคะก็ต้องฝึกสติให้มากขึ้นทั้งสมาธิให้จิตสงบให้มากขึ้นจิตยิ่งสงบเท่าไหน อำนาจชนนั้นต่างๆก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆคุณคริสติน่าครับอยากให้ลูกอายุ13ปีได้มาฟังพระอาจารย์มาเรียนรู้ธรรมะต้องทําอย่างไรดีคะเวลาเราเปิดลูกแอ บ, บเดินหนีไปเลยครับก็ถ้าเขาหนีก็ต้องยอมหยุดเ ย, ย็นก็ยอมไหวก็เดินหนีไปเมื่อเราชวนก็แล้วถ้าเขาไม่มาแล้วช่วยเขาไม่ได้แล้วก็ไม่สนใจ อกจากเรามีเรามีอยู่บ้าที่สามารถพูดหลอกรล่าให้ามาได้ว่าแม่พากคนเดียวไม่ได้แม่เหงาลูกมาช่วยช่วยนั่งนั่งฟังกับแม่ได้ไหมอะไรคือให้เขามาทําเพื่อให้ทําประโยชน์ให้กับเราบางทีถ้าให้ทําประโยชน์ให้กับเขาบางทีเขาไม่สนใจถ้าคิดว่ามาทําให้กับแม่ก็อาจจะมาทําให้กับ นี่กับลูกสาวของครับอาจารย์เดี๋ยวจังบันทึกเทปอย่างนี้เสร็จเขาก็จะฟังกับผมคนละหูฟังซ้ำอีกรอบหนึงนะครับอาจารย์ก็คือตอนฟังสดเขาจะไม่ได้ฟังแต่เขาจะไปฟังตอนหลังเสร็จนะครับอาจารย์ครับคุณโอ๋ครับถ้าชาตินี้มีคนทําให้เราทุกข์ใจมากเราไม่สามารถหนีหรือเลี่ยงได้เราต้องยอมรับใช่ไหมเจ้าค่ะถึงจะตัดกรรมได้ครับใช่เราก็ต้ยอมรับแล้วา่าเ ป, ป็นกรรมของเรามีเป็นบัดกรรมของเรา ใช้กับไปเดี๋ยวมันก็หมดไปมอใช้แล้วมันก็หมดไปคุณ อ, อนันต์นงครับถ้าเรายังไม่ได้ปัญญาอ่อ น, นี้มันถามแล้วไหมครับ อ, อ๋อเหมือนถามไปแล้วนะครับอาจารย์ คุณสมพรครับทานศีลสมาธิปัญญาคือธรรมะพื้นฐานสำหรับทุกคนแต่ถ้ว่าข้อปฏิบัติพื้นฐานนี้อาจช่วยคนเราบรรลุธรรมขั้นสูงได้จากการได้ถือปฏิบัติทานศีล ส, สมาธิปัญญายมเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องแล้วหรือยังครับหรือว่ายังมีการปฏิบัติที่สูงกว่านี้อีกครับศีล ส, สมาธิปัญญานี้เหมืันก็อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรได้สิบเอร์ซได้ยี่สเอร์ซนต์หรือได้ร้อยเอร์ซ เรื่องเราเริ่มต้นราจะปฏิบัติรักษาศีลได้ค่ะ 10% สมาธิได้ค่ะ 10% ปัญญาได้ 10% อย่างนี้รามากำจัดกิเลสได้ 10% นะบยบบทียบะพูดง่ายคุณวีรวัน์ครับการตั้งจิตภาวนาทำได้ยากมากค่ะคุณเริ่มต้นอย่างไรดีคะก็ควรเริ่มฝึกสติก่อนนะถ้าเราใช้คำวริการพุทโธได้เราก็ เราตั้งแต่เริ่มตากขึ้นมาเลยเพราะเราตากขึ้นมาขอที่เราเล่นกิจกรรมที่นอนก็บริการพุโทโธพุโทโธไปแล้วไม่ว่าเราทําอะไรที่เป็นกิจส่วนตัวเราก็าใช้พุโทโธพุโทโธไปถ้าเรายังไม่ต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องคุยกับคนนั้นคนนี้เวลาเราทําอะไรแล้วก็ใช้พุโทโธควาควบคุมใจเราไปอย่าให้ใจเราไป ค, าคิดเรื่องไปอันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของการฝึกสติของการฝึกจิตตัณฑภาวนาะ อเราม่อมีสติแล้วก็บลุมความคิดได้เวลาเรานั่งสมาธิล้วก็ทำต่อนั่งนับตาแล้วก็พอหนาพุทโธพุทโธต่อไปหัวใจก็จะสงบได้คุณออนอานงครับคำว่าสักแต่รู้หรือการดับผัสสะหมายถึงว่าเมื่ออายตนะภายในกระทบกับอายตนะภายนอกแล้วเรามีสติรู้ได้ทันทีก่อนจะเกิดความชอบความสุขหรือความไม่ชอบความทุกข์ใจ ความโกรธยงเข้าใจถูกต้องไหมครับซึ่งต้องอาศัยสติใช่ไหมครับคือภาษาในระดับไม่ได้ภาษาเป็นในเรื่องของเวลาตามมองเห็นรูปมันก็เกิดภาษะมันก็เกิดการสัมผัสกัน่งที่เรามาดับได้ก็คือความประพฤิยาของใจนะโดยความรักชาโกรธการที่จะทำความรักชาโกรธได้ก็ต้องมีสติต้งมีสมาธิในระดับอุเบกขาได้ต้องมีอุเบกขาได้ มันถึงจะระงับความรักชาโกรกได้หรือต้องมีปัญญาเห็นเห็นตายละเห็นสิ่งที่เราสัมผัสว่าเป็นตายละเป็นทุกข์โลกนี้เป็นทุกเกราก็จะเฉยๆกับสิ่งที่เราสัมผัสไปไม่เกิดความอยากไม่เกิดตัณหาครับความร้องไหขึ้นมา คุณสมพรครับคนที่เป็นเกย์คือถ้าแท้ไม่ได้ชอบผู้หญิงถ้ามาบวชแล้วจะยังเป็นพระหรือเปล่าครับเพราะเสมือนตัวตนท่าแท้ที่มีข้อปฏิบัติห้ามถูกต้องกับสีกาหมายถึงสี ข, ของพระสองยยสิบเจดข้อแต่ถ้าเป็นเกย์ก็ไม่ได้ชอบผู้หญิงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วคําถามคือคนที่เป็นเกย์แล้วมาบวชเป็นพระจะมีความเป็นพระมากน้อยเพียงไรครับไม่ทราบมีข้อห้านี้หรือเปล่ามันเมื่อไหร่งไงสมยกูไ้ก็ เ, เ, ก เ, เลยเกยนเรียกวบันโดอะไรอะไร ามาษาภาาบาลีครับก็ ม, ม, มีคนประเภทบันดาะอะไรนี่นที่เราไป็นคนข้ามเพศ่งถ้าเป็นกา้็ไม่ให้บวมเพรเป็นเหมือนผู้ผู้หญิงในร่างกายของผู้ชายถ้ามันบวมอยู่กับพระาบางทีต้องทํากิจเร่วมกันนะอาน้ํำอาบท่าอะไรนี้บางทีก็อาจจะทําให้เกิดมีการบวมเกิดขึ้นได้อันนี้อากาศจะทําให้ไปร่วมเพลิด อสิ่งข้อประหลาดชิ้นใดท่านไม่ท่านถ้าไม่มีการนำ้ำมันรอการกข้ามจิตใจ เ, เพื่อป้องกันใครท่านแต่ต้นรองก็เลยไม่ให้มาบวชดีกว่าไม่ให้มันอยู่ร่วมกันเพราะมือนเราผู้หญิงมามาอยู่กับพระอย่างเงี้ยมาแม่ชีมามาอยู่กับพระอย่างเงี้ยเห็นด้านร่างกายเป็นเป็นผู้ชายแต่ใจนี่ก็เป็นแม่ชี <Okay. S 1> มันก็ มันก็ยังทําให้มีปัญหาต่างมๆมาได้แต่สมัยนี้เขาก็ไม่มีวิตรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยเข้มงวดกวดขันเพรสังเกตโยมีพระที่เป็นเกมาบวชกันเยอะพระนั่นเอมาแล้วก็มาทําเป็นข่าวข่าวที่ปรากฏในหน้าสื่อสิบผู้ที่รับบวชไม่ค่อยเข้มงวดกวดกันวันนีเพราะความเินใจศรัทธาญาณโยมที่มาฝากกันนะ าอาตายาโยมมาฝากก็เป็นกองเข้ามาทําบุญสนับสนุนหลวงพ่อถัง ม, มันพอเข้ามาพานลูกหลานมาบวชก็ปฏิเสธนับนไม่รับก็ไม่ได้ไม่มีมันก็เลยทําให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต่างาคุณเอสเคครับหากเพื่อนกําลังจะแต่งงานแล้วเราพูดทำมาให้เพื่อนฟังจนเขาไม่อยากแต่งงานแล้วแบบนี้เราจะได้บุญหรือบาปครับ ไม่รูเหมือนกันนะเพราะเราต้อง ม, มาพยายามให้ความรู้กับเขาไปส่วนเขาจะจะแต่งงานไม่แต่งงานนี้ถ้ามองทำทำแมันไม่แต่งงานมันก็ดีกับแต่งงานเพราะงารแต่งงานก็เหมือนกับเขา้าเขา้เขาอกองไฟเวลาไม่แต่งงานก็เหมือนไม่ได้เขา้าเข้าอกองไฟถ้ามองตามหลักธรรมแล้วก็น่าจะเป็นปุ่ที่เราพูดแล้วทำให้เขาเปลี่ยนใจไม่อยากแต่งงานได้คุณต้าครับ การที่บริจาคตายให้สามีสามีเป็นผู้รับบาปไหมครับไม่บาปเราเป็นบุญนะเพราะเราช่วยทําให้ชีวิตของสามีอยู่ต่อไปได้คุณสมจันทร์ครับบางครั้งขณะนั่งสมาธิได้ยินเสียงกรนของตัวเองในขณะที่กําลังภาวนาและรับรู้ความคิดอยู่แบบนี้เป็นาการหลับหรือไม่คะถ้ามันกรนมันก็ต้องหลับธรรมดาคนตื่นก็ไม่กรนกันใช คุณสมพรครับโยมเป็นเกอ ร, รู้สึกตัวเองโชคดีมากที่ไม่ต้องสร้างครอบครัวเป็นของตัวเองจิตใจโยมมีความเป็นพระในเพศคราวาสได้ง่ายมากอาจจะแล้วก็จบไปคุณเมย์ครับถ้าเราเอาเงินให้แม่แล้วเราจะอุทิศบุญกุศลให้พ่อที่เสียไปแล้วได้ไหมครับถ้าเราให้แม่โดยที่เราไม่ได้สั่งให้แม่ว่าให้แม่ไปทาบุญแล้วให้ไปใช้อะไรหรือให้ลราเป็น เจ็ดสองคนแม่จะไปทำอะไรก็ได้เหมือนกับเวลาเราใส่บาตรนั้นทำบุญถวายวัด น, นีก็เหมือนกันก็เราสามารถที่บุญที่เราให้กับแม่ได้เพราะการให้งินแม่ก็เป็นการทําบุญกับแม่ซึ่งแม่ก็เป็นเหมนพระอรหันต์แน้วถ้าเราเป็นเป็นกุศลแรงทําบุญกับพ่อกับแม่ก็สามารถเําบุญที่เราได้นี้บุญที่ให้กับผู้ที่รง ร, รงามพันธ์าได้ คุณภูมิพัฒนครับระดับสมาธิเริ่มที่คณิกะอุปจาระอปนาและเอกคตาแต่ละระดับแตกต่างกันอย่างไรครับและมีความรู้สึกสมาธิอย่างไรในแต่ละระดับครับคือเอกคตานี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสมาธิมันเป็นอาการของสมาธิในสมาธิได้มีอยู่สารคณิกะอปนาและอุปจาระคณิกากอปนานี้เป็นสมาธิที่เหมือนกันต่างกันตรงที่ ระยะของความสงบสั้นหรื อ, อยาวถ้าจิตสงบนิ่งนี่เราต้องเรียกว่าคัณิกะหรืออัปปนาถ้านึ่งชั่วขณะเดียวเดียวเดียวก็เรียกว่าคณิกาสมาธิถ้านิ่งได้นานก็ เ, เรียกว่าเป็นอัปปาสมาธิส่วนอุปตาราสมาธินี้เป็นสมาธิที่เวลานจิตสงบนิ่งแล้วไม่ได้่งอยู่เฉยๆจิตนิ่งแล้วจิตมีความสามารถที่จะออกไปท่องในโลกทิพย ไ, ได้ ไปติดต่อกับกายทิพได้ไปแล้วลิ้นชักได้ไปอ่านบาลาจิตของผู้อได้อ่านการาฟิกขอู้อได้อ น, นี้เราเรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจาระสมาธิก็สมาธิที่สนับสนุนให้มีอภิญยาเกิดขึ้นมาความความสามารถพิเศษ ต่ต่อยนี้ในการปฏิบัติธรรมนี้เพื่อการหลุดพ้นนี้เราไม่ต้องการปัจจารสมาธิเพราะปัจจารสมาธิขานอุเบกขาเข้าปัจจารสมาธิแล้วจะไม่มีกําลังสู้กับกิเลสเวลากิเลสโผลขึ้นมาแต่ถ้าเป็นข้อัปิญญาสมาธินี้จะมีอ่เบกขาเราสามารถใช้อุเบกขานี้มาต่อสู้กับกิเลสฐานาได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องมี ภาวนาสมาธิควบคู่กับปัญญาถึงเรียกว่าเป็นภาวนาไมยะปัญญาคุณมาลาทรีครับมีไหมเจ้าค้าที่ไม่ต้องเข้าสมาธิแต่จิตสงบได้ตามความตั้งใจจริงที่ฝึกปฏิบัติบ่อยๆครับถ้ามันสงบมันก็เข้าสมาธิทางสงบการเข้าสมาธิก็คือการเข้าทำใจให้สงบ นี่จะทำให้ใจให้สงบแบบนั่งก็ได้หรือแบบไม่นั่งก็ได้แต่ท่านท่านนั่งมันจะสงบลึกกว่าเวลาไม่นั่งคุณวิไลครับถ้ามีคนมายั่วโมโหเราเรารู้อารมณ์จะตอบกลับแต่เราหยุดไม่โต้ตอบแสดงว่าเราทําถูกต้องหรือยังคะก็ถูกนะเราก็ยอมหยุดเย็นเราไม่โตตอบเพราใจเราเย็นสบายหรือเปล่าต้องดูตรงนี้ด้วย ถามหยุดแล้วยังโมโหยังยังขุนยังนั่งอยู่ในใจก็ยังมันไม่ได้หยุดจริงต้องหยุดแบบใจเย็นสบายไปเลยไม่ต้องการตอบโต้เพราะเห็นว่ามันเรื่องเป็นเรื่องไร้าสาระไม่ไก่คุณประโยชน์มีแต่โทษในการที่เราจะไปตอบตอบโต้ขเขาคุณแพรวครับตอนนี้ทุกใจมากเพราะช่วยสุนัขแม่ลูกอ่อนลูกแปดตัวไม่ได้เจ้าของหมาชอบปล่อยให้หิว เป็นโรคเรื้อนจะเอาข่าเอายาไปให้เจ้าของหมาไม่ค่อยต้ อ, ตอนรับให้เข้าบ้านเป็นห่วงมากๆควรทำอย่างไรดีคะก็ต้องทำใจยอมหยุดเ ย, ย็นเราทำอะไรไม่ได้าก็ต้องยอมต้องก็หยุดหยุดความพยายามที่จะไปช่วยเขานังใจเราก็จะได้เย็นถือว่าเป็นกรรมของของของหมาเรานั้นไปแล้วกัที่ไดไปเจอกับคนที่ไม่เมตตา คุณ9287สองครับวิธีข่มใจตนเองให้นิ่งได้ไม่ร้อนรนเมื่อเวลาเจอคนที่ทำให้จิตใจเราโมโหควรทำอย่างไรครก็วิธีด้วยสติเนี่ยถ้าเราบริการพุโทโธพุโทโธเป็นพอเกิดอารมณ์ขึ้นลลมาเราก็บริการพุโทโธพุโทโธไปแกในใจน้ำความร้อนรนก็จะหายไปคุณลักกี้บันนี่ครับการเลี้ยงสัตว์เพื่อขายให้คนเลี้ยงบาปไหมคะ มันก็มันมันอยู่ถ่าถ้าเลีงสัตว์โดยที่ไม่ได้ไปทําให้เขาตายมันก็ยั ง, ย, งยังไม่ถือว่าเป็นอาชีพที่ไม่ควรทำนะการเลีสัตว์แต่การการเลี้ยงสัตว์เพื่อเพื่อไปปล่อยเนี่มันจะดีกว่านะถ้าจะได้เป็นบุตรการเลีสัตว์ไล่คนหนึ่งเข้าไปเลี้ยงเข้าไปขังเขาเนี่ยมันก็ยังเป็นการส่งเสริมการทรลมานสัตว์นี่ก็อยู่ที่ว่าเราเ เรี้ยงอย่างไรเรี้ยงได้เขาไม่ขาดสุดนี่ก็เป็นบุญถ้าเรี้ยงแลาทําให้เขาไม่ขาดสุดก็เป็นบาปคุณศิริชัยครับนั่งสมาธิแล้วรู้สึกมีความสงบปิติเห็นในความมืดนึกถึงคําสอนครูบาอาจารย์อยู่ในภาวะนี้สลับกับความนิ่งหยุดคิดและควรทําต่อไปอีกแบบไหนครับก็ทําให้มันนิ่งหยุดคิดไปนานนา น, นานเท่านานเป็นชัวช่วโมงชั่วโมงได้ยิ่งดี เพราะจิตเราจะได้เย็นจะได้มีความสงบเวลาออกมาจากสมาธิาแล้วถ้าเกิดจิตเราเริ่มร้อนเริ่มทุกข์เพราะว่ากลับ เ, เข้าไปในสมาธิคุณเก้าสองแปดเจ็ดครับผู้ที่ชอบทำบุญแต่ในชีวิตการทำงานชอบโกหกทบเวลาทำงานไม่ถูกชอบประจบเพื่อเอาตัวรอดบาปไหมคะบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปใช่ไหมคะใช่ คุณมาตรีครับและบันทึกความอยากที่ได้ตัดได้และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็ น, นต์นเช่นเลิกเล่นเกมดูละครรวมกลุ่มสร้างความบันเทิงเลิกเที่ยวและตั้งเป้าหมายไว้ว่าสิ่งที่ควรทาคือต้องนั่งสมาธิทุกเช้าต้องตัดบาตรทุกวันอาทิตย์ดีไหมเจ้าคะดีพยายามลดลดสิ่งที่เป็นอกุศลลงแล้วก็พยายามสร้างสิ่งที่เป็นอกุศลให้มากขึ้นไปคุณปรีดีครับ <c oughs> บอกว่าเข้าใจแล้วโยมต้องการเอาปัจจัยมารักษาตัวค่ะแต่ฟังท่านแล้วโยมทำใจได้แล้วแผลเมตตาสี่แบบที่ท่านว่าโยมเข้าใจค่ะโยมไม่เคยพยาบาทเบียดเบียนปล่อยไปโยมทำสมาธิมีสติไม่เสียใจแล้วหาทางประหยัดให้มากขึ้นค่ะตามท่านแนะนำค่ะคุณสุภาพรครับตอนเช้าตรู่นั่งสมาธิ1ชั่วโมงเสร็จภารกิจช่วงบ่ายจะเปิดธรรมะพระอาจารย์ที่ถ่ายทอดสดทุกวัน โดยการนอนสมาธิประมาณหนึ่งชั่วโมงทําแบบนี้ทุกวันไม่ได้ขาดเลยเจ้าค่ะมีความรู้สึกว่าการเปิดธรรมะฟังด้วยใจสงบเห็นความแตกต่างมากเจ้าค่ะทําแบบนี้ได้ไหมเจ้าคะได้ก็เป็นการเจริญเจริญสมาธิสลับของการเจริญปัญญาซึ่งเป็นทำที่เราต้องมีทั้งสองอย่างเพืจะสามารถนํามาใช้ในการกาจัดกิเลสได้คุณบุญเล่ครับ โยมกลับเป็นถามเวลาโยมนั่งสมาธิพุทโธพุทโธใจวูบแล้วก็สะดุง้งจะแก้ไขอย่างไรเจ้าคะก็พุทโธต่อไปเวลาร่วบว่าถ้ามันวูบแล้วมันมันสะดุ้งก่อนเราก็พุทโธต่อไปถ้ามันวูบแล้วมันนิ่งก็ไม่ต้องทำอํำเลยคุณเอกชัยครับทําไมการนั่งสมาธิภาวนาถึงได้อนิสงฆ์มากกว่าการทําบุญตักบาตรและรักษาสินครับ ความสุขที่ได้าจากการสละที่มันมากกว่าการความสุขที่ได้าจากการดรำบุญ ต, ตัดบาทด้วยการรักษาสิ่นั่นเองคุณนัทยาครับถ้าบริจาคเลือดเพื่ออุทิศบุญให้พระสงฆ์ที่มีชีวิตอยู่ท่านจะได้บุญด้วยไหมคะคือไม่ได้หรอกพระที่ถ้ า, ราเราอยให้ท่านมีได้บุญท่านต้องท่านต้องไปทำบุญเองคนที่มีชีวิตอยู่นี่ยเราไม่ได้อยอที่จะรับ บ, บุญที่บุจากพู้ทำบุญเทวดาที่ให้ให้ผู้นี่มันเป็นบุญที่น้อยมากคุณชูตะมลครับคนที่เอาหมาแมวไปปล่อยจะได้รับผลกรรมอย่างไรเจ้าค่ะก็เป็นคนที่ไม่มีความเมตตาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวก็อันนี้สมมติเคยจะเป็นคนที่อจะไม่มีใครเขาเอจะ ช่วยเหลืออะไรต่อไปถ้าเราไม่ช่วยเหลือคนเองถ้าคนหนงเขาก็จะไม่ช่วยเหลือคุณสมพรครับการปฏิบัติธรรมจะทําให้เข้าใจธรรมดีกว่าการอ่านหนังสือธรรมที่จะมีความรู้ธรรมะเยอะแต่ประยุกต์ปฏิบัติไม่ค่อยจะได้เสมือนปริยัติแต่ไม่ปฏิไม่มีปฏิเวทเข้าใจเช่นนี้ถูกต้องแล้วหรือยังครับคือการาหารรรนังสือที่เขาเป็นเพื่อเป็นการเรียนวิธีปฏิบัติ เพราะถ้าเราไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเราถ้าปฏิบัติไม่ถูกเมื่อปฏิบัติไม่ถูกผลก็จะไม่เกิดการปฏิการการอ่านหนังสือธรรมานี่เป็นเป็ น, ป น, ป น, ปน 3, ส่ว น, วนหนึ่งของการปฏิบัติมันเป็นมันเป็นสามสี่ส่วนสามส่วนด้วยกันคอหนึ่งต้องศึกษาเรืยอว่าอาารรรรร่านหนังสือเรื่องปริยัติเมื่ออ่านหนังสือเข้าใจแล้วว่าเราต้องปฏิบัติอย่างไงเช่นปฏิบัติทางอย่างไรปฏิบัติสีอย่างไร เราก็นําออกไปปฏิบัติเพรเราปฏิบัติแล้วผลนี่ก็จากการปฏิบัติถึงนีงตา ม, มาถ้าเราไม่เรียนเราอาจจะไม่รู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเนาอาจจะปฏิบัติแบบผิดๆถูกๆผลก็จะไม่เกิดคุณขวัญครับในอริยาบทถ้าเราจับลมที่ปลายจมูกรู้เฉยๆในอริยาบทเคลื่อนไหววงเล็บว่ารู้สึกยาก ถ้ารู้สามฐานแบบตามลมหรือกำหนดนิมิตกสินแสงสว่างที่อกจะรู้สึกง่ายกว่าได้ไหมคะก็แล้วแต่แล้วนะวิธีไหนที่มันง่ายเราก็เอาวิธีนั้นคุณนพดนครับเราเป็นคนรักษาศีล์ห้าแต่ภรรยาเราไม่มีศีลเลยสักข้อเราควรทาอย่างไรครับก็เป็นเรื่องของเขาแนะถ้าเราช่วยให้เข้ามารักษาศีลได้ายก็ช่วยเขา ถ้าเราช่วยข็ไม่ได้หล้วก็ต้องก็ต้องปล่อยไปตามเรื่องของเข้าไปคุณสมพรครับเช้าใส่บาตรพระสงฆ์ที่วัดใส่บาตรเสร็จช่วยยกสําหรับอาหารพระพร้อมประเคนอาหารในพระสงฆ์ตกเย็นเข้าโบสถ์สวดมนมต์ธรรมวัดเย็นนั่งสมาธิในโบสถ์สิบนาทีปฏิบัติเช่นนี้ถือว่าช่วยเสริมให้มีสมาธิที่เข้มแข็งขึ้นหรือไม่ครับก็มันน้อยไปละสิบนาที แต่ยัมีให้สมาธิเข้มแข็งต้องหลายชั่วโมงต้องปฏิบัติหลายชั่วโมงต้องปฏิบัติเยอะๆสมาธิถึงจะเข้มแข็งได้สิบนาทีนี้มันเหมือนกับเหมือนกับอจะว่าเป็นละอองละอองฝนนะั่นยัไม่ยังไม่ได้น้ําฝนนะั่นแต่ละอองยังต้องนั่งสมาธิให้มากกว่าสินาทีแต่ถ้าตอนนี้ทําได้แค่สิบนาทีก็ทําไปก่อนแล้วต้องขยับนาไปไเรื่อยๆ จาสิบเป็นยี่สิบเป็นสามสิบไปให้มันได้ชั่วโมงสองชั่วโมงขึ้นไปแล้วให้ได้หลายรายรอบวันนันอันนั้นถึงจะทำให้สมาธิเข้มแข็งขึ้นได้คุณเก้าสองแปดเจ็ดครับการบริกรรมเวลาทําสมาธิพุทโธหรือยุบหนอพองหนอต่างกันอย่างไรคะสามารถเลือกบริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคะเลือกใช่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เหมือนกัน เป้าหมายก็คือไม่ให้เราไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราต้องมาคอยพุทธโทยุบหน่ออกหน อ, หนอเราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเนี้ไม่ได้คุณโทราครับเมื่อไหร่ที่ควรพิจารณาสุภาครับเวลาที่เรามีปัญหาเรื่องการอารมณ์ที่เราอยากจะรักษาศีลศีลแปดอย่างเงี้ยเราจะไม่เราจะไม่มีการต้องเราห้ามให้ร่วมหลับนอน เรืเพศสัมพันธ์กับผู้อืแล้วถ้าเราเกิดมีการมาลแล้วก็ใช้อัคคสุภะนี้มามาระงับการมาลงความอยากตอนนี้ถึงคําถามหมดนะครับอาจารย์ครับวันนี้ตอบได้หมดเลยครับ <c oughs> อีกสองนาทีอ๋อมีคําถามเข้ามาอีกคำถามครับอาจารย์คุณพล น, นพัสครับผมนั่งผ่านความปวดไม่ได้สักทีควรทําอย่างไรครับ ก็ต้องพยายามใช้สติใช้กบบรรมวิกรรมหรือใช้การสวดเวลาที่นั่งแล้วอ า, า, าการเจ็บปวดตามหน้างกายก็อย่าไปอย่าเพิ่งไปลุกพยนายามนั่งสวดพุทโธสวดอิติปิโสไปก็ได้นึกสวดบริกรรมพุทโธพุทโธไปก็ได้อย่าไปสนใจกับการการเจ็บปวดให้อยู่กับการสวดไม่อยู่กับกรรมริกรรม เราทําได้บางทีภายในไม่กี่นาทีเราก็จะเริ่มควาบเจ็บปวดแล้วสามารถนั่งต่อไปได้พ่ายคราบเจ็บปวดได้น่าจะคําถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับเวลานั่งสมาธิเราชอบง่วงนอนบางบางครั้งก็หลับไปเลยครับอาจารย์อาจจะเป็นเพราะว่าเรารับประทานอาหารมากเกินไปถ้าเราอยากจะนั่งสมาธิไม่หลับนี้ไม่ควรที่จะรับประทาน ก่ที่เราจะมานั่งสมาธิอาจจะน้องที้งช่วงไหลาหลายชั่วโมงแล้วครอยมานั่งสมาธิให้เท้ามันว่างก่อนถ้าเท้ามันถ้าถ้าเท้ามันเต็มหลังเท้ามันเต็มหลังตาจะหย่อนมีอีกคําถามสุดท้ายแล้วครับอาจารย์ครับเกี่ยวกับนั่งสมาธิต่อครับบอกว่าฝึกนั่งสมาธิครั้งแรกฝึกนั่งที่บ้านได้ไหมครับได้อยู่ที่ไหนก็ได้แต่ที่ดีต้องเป็นที่ที่ไม่มีอะไรมารบกวน ท่าไม่มีเสียงกระทึน้นเรื่องคอมไมมีกลิ่นมีอะไรที่จะมาช่วยเข้ามาทางจมูกทำให้เราเสียสมาธิครับผมอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ใน f a c e b o o ห้าร้อยสิบแปดคนใน y o u t u สามร9เก้าเก้าเอสใน y o u t u หกร้อยคนในข่าเพ้าเจ็ดคนวันนี้มีคนฟังทำหนึ่งพันหนึ่งร้อยี่สิบกคนครับอาจารย์ครับก็ยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาเริ่ม สนทนาถามตอบคําถามหวังว่าคงจะได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนั้นนออกไปใช้กับการปฏิบัติที่จะก้าวหน้าต่อไปการแสดงทำสนับเหือนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาการสนทนารมก็พอสมควรแก่เวลาก็าขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฝั่งนี้ไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญ ก้าวหน้าในทางเงี้ยงี้ยขึ้นไปเธอสาธุก็คิดว่าจะขอลาคุณบอกแล้วท่านผูช้ชมผู้ฟังไว้เพียงทงน่นี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์ใดขัดข้องก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตหน้าเวลาเดิมขอเจริญพรกับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ